ต่อไปก็คือการทำสาการสาธยายด้วยวาจาเนี่ยการสาธยายด้วยวาจาจะสาธยายร้อยครั้งพันครั้งกระทั่งถึงแสนครั้งก็ดีเนี่ยเมื่อทำการสาธยายได้วาจาดังได้กล่าวมาเนี่ยเกสาโรมาเป็นต้นทั้งอนุโลมปฏิโลมตามตามลำดับนี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้กรรมฐานนั้นคล่องแคล่ว จิตก็จะไม่แล่นไปทางโน้นทางนี้โกดทัศาสตรทั้งหลายก็จะปรากฏแล้วก็จะชัดเกณฑ์ของแถวแล้วก็เหมือนกับแถวกระทู้รั้วดิตั้งเอาไว้จะเห็นเป็นไปตามลําดับเลยในลักษณะนั้นนะอย่างแรกเขาจึงบอกว่าสาธยายด้วยวาจาที่จริงในการศึกษากายคตาสติกรรมมาฐานการพิจารณาการสามสองเนี่ยเป็นกายคตาสติกรรมฐา น, านาา 32, เนี่ยกายคตาสติกรรมฐา น, าารรฐานเป็นกายานุปัสสนาที่ลัทธิภายนอกพุทธศาสนาไม่เคยปฏิบัติ ปฏิบัติได้หรือมีได้ก็เฉพาะในพุทธศาสนาเท่านั้นทีนี้ท่านบอกว่าก่อนที่จะเจริญทวัดติงสาการกายกตาสติกรรมฐานเพื่อให้บรรลุปเป็นพระอรหันต์นั้นเบื้องต้นท่านก็ให้ปฏิบัติพื้นฐานพื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ถ้าจะพื้นฐานตามกมีวิสุทธิมรรคเลยท่านก็กล่าวว่าควรชาําระศีลให้บริสุทธิ์ใช่ไหมเบื้องต้นเนี่ยเพราะคนที่จะเจริญกรรมฐานได้นั้นเน่ะเบื้องต้นเนยศีลต้องดี ก็ต้องศึกษาศีลฉะนั้นในคมทีวิสุทธิมักท่านก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ว่าเกี่ยวในเรื่องของศีลเรื่องของครูสอนศีลเจตนากระชีวศีลเจตสิกกระชีวศีล ส, สังวร ก, กระชีวศีลอวิติกรรมการไม่ก้าร่วงกนชีวศีลเจตนากระชีวศีลคือเจตนาบุคคลผู้งดเว้นมีความจงใจตั้งใจในการที่จักไม่ฆ่าสัตว์เป็นต้นเหล่าเนี้ยเจตนาตรงนั้นน่ยคือการไม่ก้าวล่วง เจตนาในการเจตนาตรงนั้นเป็นพีชั่นนิทานและกิจการนะเจตนาก็ชื่อว่าศีลในที่นั้นเป็นตัวกรรมเป็นกุศลกรรมที่งดเว้นจากปาณาติบาสงดเว้นจากปฏินาทานเป็ตนต้นแต่ในที่นั้นท่านจัดว่าเจตนาก็ชื่อว่าศีลส่วนเจตสิกก็ชื่อว่าศีลมีสองส่วนวิรติเจตสิกสามชื่อว่าศีลส่วนหนึ่งอนนาพิชาอัพยาบาทแล้วก็สัมมาทิฏฐิก็ชื่อว่าศีลในส่วนหนึ่งว่าเจตสิกก็ชื่อว่าศีลเช่นสัสามมาวาจาสัมมากรรมตัดสัมมาชีวะเนี่ยตัวนี้เป็นชื่อ เวรตีก็ชื่อว่าศีลส่วนอนัติชาความไม่โลภอภยาบาศความไม่โกรธคือเมตตาแล้วก็สมาธิต ก, ก็ชื่อว่าศีล <c oughs> พวกวิรัตนีนะพวกสมาทานวิรัตสัมปตาวิรัตเนี่ยอันนี้ชื่อว่าศีลแล้วก็อะไรกันสังวรก็มีปาติโมกสังวรอินเรียสังวรขันติสังวรวิริยาสังวรญาณสังวรก็ชื่อว่าศีลและประการสุดท้ายก็คือเอวิติกามา ก, การไม่ก้าร่วงก็ชื่อว่าศีล นั้นเบื้องต้นเลยเนี่ยชำระสีในบริสุทธิ์ประการที่สองก็คือตัดปริพโคสเครื่องกังวลสิบประการคนที่จะเจริญทวตติงสาการละนี้ได้นะอาวาสปริโภคสความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยตัดความกังวลตรงนี้เสียประการที่สองกุลละปริโโคสกังวลเกี่ยวกับเรื่องของตระกูลประการที่สามลาภปริโภคสกังวลเกี่ยวกับเรื่องของลาภสะการะประการที่สี่คณะปริโภคส กังวลเกี่ยวเรื่องของคณะถ้าเป็นพระกับพวกศิษย์เอ้ยเกี่ยวกับเรื่องของบริวารเนี่นะพวกเราที่มีบริวารยากจะเยอะก็เป็นคณะทั้งนั้นะกรรมมาปริพ์ก็เรื่องการงานใครมีการงานมากยกมาเนี่ยเป็นเรื่องกระบาดยากกรรมมาปริน์มัวกังวลเรื่องงานอยู่นั่นแหละนี่บ้างไหมเปิดปรทิทินดูโอ้โหงานเป็นแถวเลยมีแต่งานทั้งนั้นเนี่ยเราตัดตัดเครื่องกังวลนะ เข้าใจเขามาตัดเครื่องกังวลไหมต้องทันเราตัดไม่เคยได้ดิกลางคืนเป็นความกัางวันเป็นไฟย่างเขาให้ตัดนะโยมสมัยนนีะ้ตัดเครื่องกังวลยอัิธานะปริโพศก็คือเกี่ยวกับการเดินทางเชฟพวกนี้ต้องเดินทางไปโน้นพวนี้ญาติปริโพศก็เกี่ยวกับเรื่องญาติญาติก็คือการอุปถัมภ์ญาติป่วยเนี้ยเป็นปริโพศเงี้ยถ้ามีญาติป่วยดูต้องดูแลแม่ต้องดูแแดูแลอะไรถ้าดู วิธีการคิดกับญาติเขาคิดยังไงดูมั้งแต่คิดแล้วอย่าไปบอกกับญาติจะญาติเสียใจสมมุติเนี้ยไปพิจรารณาอย่างนี้ไปไข้ควรหรือว่าสมมุติมีครูบาอาจารย์พ่อแม่ป่วยเอ้เราก็อยากจะเจริญกรรมฐานเนาะให้ทํำยังไงท่านก็ป่วยก็ดูแลมั้ยเอ้ดูแลมานนะนี่ไม่หายสักทีทำไงย้อนสมัยหาคนเปลี่ยนได้ไหมมาหาได้ก็หาคนเปลี่ยนนะแต่ถ้าเป็นครานี่นะครูบาอาจารย์ต่างๆนี่น ก็ดูไปดูไปเอ๊เราก็แย่ลงแย่ลงอุประชาก็ป่วยเขาหรือถ้าตนเองอย่างเนี้ยนะให้มันป่วยป่วยมันจะไปมันจะปฏิพฤติปฏิบัติอะไรก็ไม่ได้ท่นบอกให้ตัดความอะไรตัดความอะไรถึงที่สุดแล้วอาพาธไงอาพาธปริโพศกังวลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยขันถาปริโพอกังวลเกี่ยวเรื่องการศึกษานี่แหละ กัรปริยัตินี่เป็นไงเราเรียนอย่างเงี้ยคําว่าพันธะปริพโคตรนี่เป็นอย่างไงเกี่ยวกับการศึกษาเราเรียนนยาการเรียนมัวสอนมัวอะไรต่างๆเนี่ยนะเนี่ยจะต้องสอนต้องอะไรต่างๆเนี่ยผไม่ไหวแล้วใช่ไหมถ้ามัวไปกังวลแต่ละในชีวิตเนี่ยมัวกังวลอยู่กับสอนอยู่ตลอดเวลาเลยนะนั่นทะ่านึงต้องหยุดเป็นระยะนีนั่นคือต้องเจริญกันมานนะี่ยส่วนอีกที่ปริพโคน์ก็อย่างนี้ก็ไม่ไม่ค่อยมีแล้วมัวแสดงอีกที่ริบเนี่ยไม่ค่อยได้กัน นี่คือประการที่สองประการที่สามก็คือทําจิตการทําจิตให้ยินดียิ่งในเน่กามะคือการออกจากกามไหมออกจากกามะคุณถ้าจิตมันไปติดในกามออกคุณอารมณ์ไปติดข้องในกามออกคุณนั่งหลับก็น้อมจิตออกประการที่สี่ก็เข้าไปหาอาจารย์ที่บอกกรรมฐานเพื่อจะเรียนกรรมฐานตัวนี้ยประการที่สี่ก็หาดูที่เราเห็นว่าท่านผูน้นี้มีความรู้มีความเข้าใจทั้งพ้ะบาลีอัตถกาลุติกา แล้วก็มีความชำนาญในการไปเพื่ปฏิบัติอย่างนี้ก็ถือเป็นบุญของเราเนาะก็เข้าไปหาท่านบุญนั้นแล้วก็ไปขอรับเรียนกรรมฐานการไปขอเรียนกรรมฐานจากกัลยาณมิตรทั้งหลายเนี่ยเข้าไปเนี่ยอย่าไปอย่าไปมัวไปนน่นไปนี่เนี่ยเข้าไปโดตรงเลยสมมติโยมสมหมายเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรรู้อ้อรู้เรื่องกรรมฐานเนี่ยอย่าไปข้างบ้านโยมสมหมายถ้งนั้นเดี๋ยวเกิดไปเจอคนที่ไม่ถูกอาจารย์ไงเข้าไปเป่าหูแล้วเนี่ยป๊อปๆ๊อปป๊เสียเลยนี่ยมีวิสุทธิมากเส้นเก่าไว้อย่างนั้น แล้วอย่าไปสายใจอย่างนั้นให้สายใจเราต้องการน้องกรรมฐานได้กรรมฐานแล้วก็กลับพยายางถ้าอย่างนั้นตอดศรัทธามันตกเสียเลยนะเนี่ยแล้วที่เราจะได้ไประโยชน์จะได้โทษกลับมาเลยนี้ก็อย่างนี้นะเขาไปทุกข์มุ่งโดยตรงต่ออาจารย์ศึกษากรรมฐานให้เป็นเสร็จแล้วกลับกิจมีแค่นั้นแหละไม่มีอย่าหรอกใช่ไกิจมีแค่นั้นนะเพราะเราต้องการไปเรียนกรรมฐานไม่ได้มีกิจอย่างอื่นเนี่ยประการที่สี่ ประการที่ห้าก็ถือว่าเว้นจากสำนักที่ไม่ควรไปเห็นว่าเราจะไปปฏิบัติเนี่ยมหาตังเนี่ยสำนักที่ใหญ่เนี่ยู้วัดที่ใหญ่เนี่ยอย่าไปมีงานตลอดทั้งวันเลยเนี่ยนะนจะมาถานไม่ดีหรือว่านวัดตัง เ, เป็นสำนักสร้างใหม่โอ้โหเสียงปอกแป๊กปอ ก, ปอกแปกแ้ได้ๆแต่ตอนนี้ที่วัดมันลําบากเวลาบรรยายวันสแล้วบางคพวกก็ใช้กบไฟฟ้าดใส่แก่ยั่ย อย่าหยอยุดก่อนดีกว่าวันเสาร์ไหนหยุดเอ๊ะเขาก็มีแบบไปรบบอกอะไรก็แต่วันไหนจะ่าสอเยเข้นมาเอ้าเขามากันอีกแล้วเอ๊ะแตกจริงๆส่วนว่าชิมนัดตังก็คือเป็นสำนักที่สุดโทรมโอ้ไม่ไหวแล้วก็เริ่มจะซ่อมอีกแล้วอการต่อมาสำนักติดทางหลวงวัดติดทางหลวงอดีไหมวัดติดทางหลวงจะปฏิบัติดีมไหมไม่ดีนะหรือว่าวัดที่มีสระน้ําใหญ่คนก็ไปเล่นน้ําไปตักน้ำนั่น ที่มีผักสมัยก่อนเนี่ยนะว่าที่มีผักผลไม้เยอะๆว่าไปเก็บกันมีเซมหรือว่าสำนักที่มีดอกไม้ดอกไม้มากๆพวกก็จะ ไ, ไปเก็บดอกไม้บูชาบ้างเอาดอกไม้ไปร้อยขายบ้างหรือว่าปลูกผลไม้เนี่ยนะสำนักที่มีคนขึ้นมากโอ้โหพบเจออาจารย์เยอะๆเนะ่ยอยไปสำนักนั้นกรรมฐานไม่เดินหรือสำนักที่ติดเมืองหรือสำนักที่อยู่ในป่าไอ้ที่สมัยก่อนคนไปตัดฟืนนะเนี พวกก็ไปถ่าปืนมันใกล้ๆหรือว่าติดไล่นาคนจะทานากันมันติดเกินไปสํานักที่คนทะเลาะกันนี่จะไปยุ่งเลยกะเลือกอีกกก็วัดนี้ไปอ่านในก๊กไหนมีก๊กไหนในในพงสอาจารจีนมีสามก๊อกเมือว่านี้พาไปหกกกนี่จะไปนะวัดออกมันหกกกไม่รู้กอกท้องไกยบ้างก็ไม่รู้แต่สรุปแล้วมีอยู่สองก๊อกน่ยอมแน่ที่สรุปไงก๊เขากับก๊กเรา อย่างเงี้ยไม่ดีแล้วก็สำนักที่เป็นท่าเรือสำนักที่เอคนมันมีนะมีอยู่วัดหนึ่งเนี่ยแม่พูดออกชื่อเลยไปไหว้พระธาตุบ่อยที่ผู้เขาทองรอบๆวัดเนี่ยคนอิสลามอย่างเงี้ยไม่เหมาะเลยเี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ที่ปฏิบัติแล้วแต่ว่าไปเราไปแสวงบุญได้นะฉาบฉวยไปเอาบุญคือไปบูชาพระบรมสารีริกธาตแต่ไม่ใช่ไปที่ปฏิบัติ อันนี้โดยตรงเลยใช่ไหมพเพราะรอบๆนี่แหมไม่ใช่พุทธแล้วอิสลามเต็ไมไปหมดนี่ไม่หมาะเขาเรียกว่าสำนักเหมือนคนแดนเถือนแน่เลยหรือติดชายแดนเนี่ยลบกันแต่เพื่อ ส, สำนักติดเขมรนะเอาแล้วทหารไปตึงกําลังจะยิงกันปุ๊บ ป, ปั้งปุป้งสมัยก่อนนะตอนนั้นโงน้ําร้อนอะมาเขาอยู่มีวัดร้างวัดหนึ่งเยอะพอหยุดเรียนก็ไปก็ไปเียงเช่ากรรมฐ า, านะเสียงเสียงก็ยิงกันนี่แล้วบาด กรรมฐานไม่ค่อยเดินในใจเส้นตุ่มๆนี่ยอมว่ากำลังไปพูดอกีกแม้ไปอยู่ได้เป็นเดือนแล้วยอมยังไปพูดหมดทั้งถ้ามันเสียงดังพักพักทำไมท่านต้องหลบนะวิธีหลอกนีย้ายหน้ยายน อ, กอกติดพื้นเอาจะตายเราไม่ใช่ที่ปฏิบัติแล้วนี่ไม่สปายะสํานักที่หาอาจารย์ผู้เป็นกัลยาณมิตรไม่ได้ตรงนั้นนั่นแหละท่านก็ห้ามแล้วก็ให้เข้าเข้าไปในสํานักที่ประกอบไปด้วยองค์ห้านะ คือสำนักที่ไม่ไกลไม่ใกล้กลจากจอร์ามมีเส้นทางสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัยก็หมายความว่าที่ที่สามารถยินรบาดได้สะดวกเพราะว่าเป็นท่าต้องออกบินรบาดใช่ไหมก็อย่าให้ไกลเกินไปวันก่อนก็ไปดูที่อยู่ที่หนึ่งก็เพราะว่าอีกเดี๋ยวช่วงระยะอีกสัก อ, ก อ, กอกากก็กําลังรวมๆท่ากันอยู่อยกจะไปหาที่หลบหลีกเล่นกั น, นก็ไปไปเจอที่เอาขึ้นไปบนเขาเดินเดเดินเดินขึ้นไปเลย ไปข้างบนโอ้โหที่ที่เหมาะพอสมควรอย่างนี้แต่จะเจอพระเขาทํากิจกรรมหร อ, อะไรกันบอกว่าอยู่นี้ไม่ไหวแล้วพระอยู่้ยแวหมบอกอยู่ได้ถ้านเดอยวตรงนี้โอ้ไม่อยู่แล้วตรงนี้ไปเลยหลบกำลังหากันอยู่ยอประมาหมีที่ดีๆบอกพระในนึงถ้ามีที่หลบๆก็สะดวกกันนะพระนะหลบๆนี่หมายความว่าอย่าอย่าให้ใครไปรบกวนท่านเยอะนั่นถ้าวันถึงเวลาให้ท่านออกมาเองนี่นถ้าเป็นคนไปรบกวนมากมิคือไม่ไมดี กลางวันไม่พุกพ่านแล้วก็กลางคืนก็เงียบสงัดไม่มีเสียงคนบครบกวนเนี่ยโดยเฉพาะนี่นะอุปสรรคของการเจริญกรรมาฐานพวกเลือพวกยุงลมแดดงูเป็นต้นเนี่ยคอยบครบกวนตลอดเวลาและมากเกินไปบางแห่งเงยอะจริงๆไปบางแห่งตอนนั้นไปที่ปักกินจนี่นะโอ้โเยอะมากเวลากาลางกรดลงปุ๊บเนี่ยจับกดนี่เป็นหมาปึ๊บมาเลอโอ้โหมอดูนี่ตกใจเลยยุงเลยขนาดนั้นกันไหมล่ะเยอะมากอีนี้เกินเกินกว่าเหตุไป ก็มาถานไม่เดินที่โยมคนนึงก็มาเล่าอีกปะเขาบอกก็ไปอยู่อินเดียเนี่ยนะคนแขกเนี่ยเขาเก่งมากพวกรูสีที่เมืองรูสีเกต์เนะี่ยขึ้นไปก็นั่งก็มาถานเนี่ยโยมนะเขาบอกว่าเขาสามารถแผ่เมตตาเรียกนกก็ได้ให้นกมาเป็นร้อยเป็นพันก็ได้นะให้ไปก็ได้แล้วที่ประหลาดกว่านั้นเขาบอกเขาสามารถนั่งก็มาถานไล่ยุงได้คือไม่ให้ยุงกัดได้ไม่ประหลาดประหลาดจริงๆก็เจอเลยเมตตาเขา พยายามฝึกึๆอยู่เอ๊ะไม่ได้ผลที่ยุ้งกัดตัวร้ายทุกทีตองเลยเร า, เราลองทําดูนะก็เมตตาสูงๆนี่ยุงไม่กัดอันนี้จริงนะยุงไม่กัดลองทําลองเจริญเมตตาเป็นอัธยาศัยดูที่ได้อย่างนั้นจริงดถ้าได้มาบอกหน่อยนะว่าเจริญแบบไหนข้าจะขอเรียนมาเจริญก็ะมังธมออนั้นท่านบริจาคนี่หมายถึงไม่ให้ยุมม้งกัดเลยนะเดี๋ยวนี้มันมีเชื้อโรคเยอะด้วยเยอะลาบาก ไม่ฝืดเครืองด้วยปัจจัย4ี่นะเป็นสำนักที่มีภิกษุเทราเป็นบรหูสูตรสำเร็จการศึกษาทั้งปริญญาและปฏิบัติทรงพระวินัยและก็หัวข้อทาวินัยสา ม, มารถที่อถธิบายคลายความสงสัยได้อันนี้คือประการที่หประการที่6ก็คือว่าพิจารณาโทษของกรรมและอ น, นิสง์การถือบวชและไปจิตเลื่อมใสและลึกถึงคุณของพระราชนตรัยอาการที่เจ็ดที่สุดท้ายก็คือเจริญกรรมฐานนะนะอาการ 3-2 ดังที่ได้กล่าวสว่าสิีสาการและอาการ32เนี่ย แล้ก็เริ่มสาธยายอัฐิอิมัตสิมิกาเยเกยสาโดมานขาทันตาตโจมังสังนารุอัฐิมิชังวกังหะทยัยากระนังกิโรมักังปิฮักังปภาสังอันตังอันตะคุณังอุทริยังกเรสังมัทลุงคังปิกตังเสหังปพโผลยตังเสโทเมโยอัสุวสาเคโรสินคานิการาศิกามุตังเนี่ยในกางสามสองรวมอยู่ในกายเนี่ยนะตั้งแต่พื้นท้าเจรตใต้ผมมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเนี่ย แล้วก็เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆในภาษาไทยายเนี่ยนะสมัยก่อนท่านรู้ภาษาบาลีใช่ไหมท่านก็ไม่ต้องมาแปลเป็นไทยอย่างเราอย่างใครอ่ะถ้าคล่องแคล่วภาษาบาลีท่านก็ใช้ภาษาบาลีเลยเหมือนข้าเนี่นะท่านเรียนบาลีมาค่อนข้างดีวันรู้ควรแล้วท่านภาษาไทยภาษาบาลีมันชัดนั่นไพเราะมันรักซึกอันนี้ก็พูดให้ฟังแต่อย่างแล้วไม่เป็นไรหรอกเธอไทยดีสุดภาษาอะไรก็เรียนไปเให้เป็นประจัยวันรู้ได้พอไปต่อหน้าผู้เจ้าเนี่ย แล้วไม่ต้องแปลพุทธเจ้าแปลให้เราเปิเส็จเคยเข้าไปชมในห้องเลยคนสามชาติเข้ามาบรรยายเราใช้หูฟังอยูม่มั้ยท่านจะแปลเขาจะมีคนแปลเป็นภาษาไทยให้เราฟังฉะนั้นถ้าเรามีบุญทั้งหลายนี่เป็นอย่างนั้นได้จเจอหน้าพุทธเจ้านะได้เข้าเฝ้าพุทธเจ้าเวลาพุทธเจ้าแสดงธรรมร้อยภาษาร้อยคนพันคนหมื่นคนออกมาเป็นภาษาของเราอยู่น้าฟังไหมนี่เป็นยังไงฮะนี่เป็นยังไงจมีโอกาสได้ฟังธรรมจากพุทธเจ้าเป็น ถ้าพิจารณาทางใจนะประการที่สองคือสาธยายในทางใจอย่างใดในทางวาจาอย่างไรแม้ทางใจก็ให้พิจารณาสาธยายอย่างนั้นทางใจนี่ยากเอางั้นเราท่องนังท่องท่องคําสอนอะไรได้เนี่ยท่องจำเนเกษาโดมานะคะทานอาจารผมผลเล็บปันหนังเนื้อเย็นกระดูกเบี้ยในกระดูกเปต้นอะไรนี่ไหมพอมาสาธยายแบบไม่ท่องด้วาจาแล้วค่อนข้องแล้วตึกทางใจทุกคนสำคัญพวกเราเนี่จะคิดได้ไม่นานไม่ยาว ทังเกียรติแม <unseen for? S 2> ้พอคิดถึงคำสอนเนี่ยคิดไปได้นิดเดียวทิ้งแล้วไปแล้วอยู่เป็นไหมแบบนี้บ่อยไหมเนี่ยบ่งบอกเลยท่านพ่อไม่เคยสาธยายทางใจให้การปฏิบัติเนี่ยคือการสาธยายทางวาจาอะไรเงีพอสาธยาทางใจทางใจด้วยเขาเรียกคือการตรึกนั่นแหละเขาจะอ้ยังนั้นกรรมฐานเน่ยอย่าไปบอกว่าคิดไปนั่นไม่เป็นกรรมฐานเนี่ยเนี่ยเป็นนะเนี่ยเนี่ยหลักฐานเนี่ยชัดไหมเนี่ยมีสาธยาทางใจเนี่ยโดยทางใจสาธยาอยู่ทางวาจาอย่างใดทางใจก็อย่างนั้น ทางวาจาเกสาโลมานคาทันตาตาโจเห็นไหมผมขนเล็บฟันหนังผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยแล้วก็มันนึกเนี้ยนึกผมขนเล็บฟันหนังในใจนึกก็ไม่ต้องพูดออกมานึกกจดยิงชัดนึกแล้วเจอภาพผมก็นึกถึงผมขนก็นึกถึงขนเล็บก็นึกถึงเล็บฟันก็นึกถึงฟันหนังก็นึกถึงหนังเห็นไหมผมขนเล็บฟันหนังผมขนเล็บฟันหนังนึกในใจเนี้ยได้มากคนเจริญกันไม่ให้เป็นนะแบบเนี้ยนึกในใจ ใจเวลานั้นพบ่เนี่เราถูกสอนอีกอย่างเรื่องกรรมฐานเนี่ยห้ามคิดห้ามนึกจบเลยไหมห้ามคิดห้ามนึกนะให้ดูอยู่อะไรเกิดขึ้นก็นให้รู้นะคืออย่าไปปรุงแต่งระหงนั้น อ, อย่าไปปรุงแต่งมันจบตรงนี้ไงแล้วจะทํำยังไงวาจะเจริญพุทธคุณห้ามด้วยห้ามคิดพุทธคุณเ น, น่ยสายการตรึกอาศัยการคิดทั้งนั้นหรือจเจริญกรรมฐานเนี่ยสายการตรึกการคิดเท่านั้นเช่นว่านั่งอยู่แล้วพิจารณาแล้ว แล้วเดี๋ยวผมจะปรากฏเองไหมปรากฏไหมโยมสมัจะปรากฏได้ยังไงท่องจะตายยังไม่จะปรากฏได้บางที่จนปรากฏเนี่ยจะนึกเนี่ยเขาเรียกว่าสายตาทางใจการสาธยายทางใจเนี่ยเป็นปัจจัยในการแทนตลอดลักษณะแห่งโกหกาสาเนียโดยอาการเป็นของปฏิกูลฉะนั้นการที่เห็นด้วยความเป็นของปฏิกูลเนี่ยไม่ใช่ท่องนะแต่ว่าทางทางทางวาจานี่ชัดแล้วทางใจเนี่ยไปคิดคิดไปนะต่อมานี่ถาม สันฐานเนี่ยนะโกฏาษาเนี่ยโกฏาิษาก็คือสันฐานของผมมันปรากฏก็คือว่ากําหนดสันฐานโกฏาษาคือว่าไอ้ผมมีสันฐานอย่างนี้มีลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมจะปรากฏขึ้นมาปกติเนี่ยเราอยู่กับผมแต่สันฐานผมไม่เคยปรากฏกระจเราเลยนะใช่ไหมไม่เคยปรากฏเลยเนี่ยนี่เขาให้ให้กำหนดการคิดโดยใจชื่อว่าเป็นการสาธยายนใจเป็นการเพ่งโดยชอบการไายการเพ่งตึกไข้ควรมึง ก็เหมือนอะคิดพุทธคุณเนี่ยแต่วอ้เราคิดยังไงแต่ก่อนกลัวมากตอนนั้นไปไปปฏิบัติอาจารย์ก็บอกอย่าคิดนะตอนนั้นเนี่ยเรียนก็มาเรียนเรียนอภิธรรมจบใหม่ๆลองไปปฏิบัติแต่เขาดูที่เราก็ไม่เข้าใจเลยเชื่อไหมเรียนปอภิธรรมจบแล้วไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัตินะทั้งๆที่หลักว่าอย่างนี้เราไปนึกว่าเออปริญัตก็อยู่ปริญัตปฏิบัติก็อยู่จะปฏิบัติอย่ามาปวดอย่ามาแน่นกันแล้วก็ถูกสอนอย่างนี้ใช่ไหม ปริยัติก็ส่วนหนึ่งปฏิบัติก็ส่วนหนึ่งปริเวทก็ส่วนหนึ่งมันคนละส่วนกันอย่ามาอย่ามายุ่งกันว่านะั้นนะมาบอกเราปรเปลียนจบแล้วพอสมควรแล้วต้องจีเวทอย่างนะั้นนะไปะปฏิบัติก็สอนนี่คุณอย่ามาคิดอย่ามานั่นนะให้ให้ให้ใหส่ใจลงไปใส่ใจใส่ใจงี้ยนีจะใส่ใจยังไงนั่งคิดอย่างเ ง, งี้ยงงงเอ๊ะทำไมเราโมโขขนาดนี้นะพีจษท์พราะเออตายสองวนันสามวันไปก็แล้วถ้าถาว่าเป็นยังไงเห็นไหม มันจะคิดไ้ไงเราทันห้ามคิดเนี่ยผมอยคิดได้ไงเนี่ยผมคิดเรื่องอื่นนี่ใช่ไหมออย่างเนี้ผมคิดเขาคิดไม่ได <aunque S 1> ้ทำไมห้าม so คิดทำเนี่ยก็ยุ่งคิดน่ะมันเป็นวิปัสสนะกะว่างั้นเอ้าแล้วมันอะไรล่ะก็ว่าอารมณ์นางจินเตตีตีจิตตังธรรมชาติได้ย่อมคิดนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าจิตใช่ไหมเอ้าคนไม่คิดก็นุง่ายนอนในลงใช่ไหมนะองหาลอยปฏิบัติยากสอยู่มันไปไปมา แล้วก็ไปนั่งฟังเขาสอบอารมณ์นั่งฟังเอทําไมคนนั้นเขาก็เข้าใจคนนี้ก็เข้าใจแล้วไม่มานั่งโง่อยู่แเราคนเดียวนั่งเียวแล้วประหลาดแท้จาริงบางคนแล้วทาไมเราถึงคิดยากก่บเขาเลยนั่งอาทิตย์ผ่านไปสองอาทิตย์ผ่านไปเราก็ฟังแล้วฟังดีจําได้หมดคที่เขาสอนอยังไงใช่ไหมจะให้เราพูดกึ่งเขาพูดได้หมดแต่ทําไมเรามันไม่ได้อะไรเลยอ เขาเลยบอกว่านี่ท่านอาจารย์ผมจําได้หมดแล้วเนี่ยแค่อาจารย์จะอ้าปากเนี่ยผมสามารถเดาได้เลยอาจารย์จะลงตรงไหนเอเดาได้หมดแล้วเขาบอกเอางี้เดี๋ยวท่านไปอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวผมไปคุยกับท่านเดี๋ยวเขาบอกท่าไม่ต้องมาเข้าอบรมแล้วเพราะท่านอยู่มาเกือบเดือนแล้วนี่ยเราหาไปอยู่ต่างหากแต่ว่าเขาคัดออกจากโมลแล้วเขามีนี่ไปไม่รอดแล้วผมก็ไปไว้ครับนี่นาข้าวก็ตอนนี้อาพอถึงประมาณจะ ไบ่ายอาจารย์เขาก็มาถ้าที่ก็เป็นอาจารย์เขาก็มาอุปสนทนาขอสนธนาด้วยทุกวันจากบ่ายสองโมงเย็นห้าโมงเย็นทุกวันมายัางกระถามถามผมไปค้นมาค้นมาเอาถามน่ะก็ไปเไปไปแล้วแต่ทีความสงสัยมันเยอะก็ไรยังไแล้วก็ถามไงถามน่ะเขาเออก็บอกว่าผมสอบประหลงนักกรรมฐานมาผมเพิ่งเจอท่านดีแล้วทำให้ผมสงสัยไปด้วยก็เดี๋ยวนี้ อย่างนี้ท่านอาจารย์ขอเนี่ยสอนอย่างใหม่ไปแล้วเขาบอกว่าท่านเขาบอกาำให้ผมสงสัยไปด้วยเขาบอกงั้นเนี่ยแต่ก่อนผมไม่เคยคิดในเรื่องบุมนี้เลยทำท่านทำผมสงสัยกูจะไม่นั่งคนก็ใจริดกอย่างนี้ี่ย่านใจริดกนลนายก้าวนายก้าวเขาไดจำเนี่อาจารย์รูปนี้สอนไม่เหมือนอาจารย์เดิมเลยนายก้าวนายก้าวเให้ออกไงสํานัก้ไปใหญ่เลยบอกก็บอกแล้วอาจารย์อย่ามาพบกับผมมันเขาไปไปใหญ่ คือคือโดยหลักเนี่ยมันจะสอนยังไงก็แล้วแต่นะถ้าใครไม่ตามพระไตรปิฎกเดี๋ยวก็ร่วมมันร่วมหรืไม่ร่วมได้งไงจะมีคำสอนคากลับอย่างเงี้ยคําสอนคากลับอย่างเงี้ยถ้าใครเป็บิดคําสอนนักเขานักเขาก็เลยทําไงไปอ้างตนเองแล้ไปเนื้อหางคําสอนเยถ้าเราอ้างคําสอนนี่ไงคําสอนว่าอย่างนี้แล้วก็ว่าตามด้วยผมก็บอกว่าถ้าตามแบบนี้ผมสบายใจแต่ถ้าไปอย่างเงี้ยมันมันมันไม่ไม่สบายใจเลย ถ้าตามนะี่มันง่ายไนงะถ้ามันออกจากตรงนี้มันยากอนะ่ะและ้วมันยากยากแล้วมันไปไม่เป็นอ่ะก็เจอคําถามมาแล้วมันไปไม่เป็นน ะ, ถ, ะนไไนนะถ้าทําไงดีนะี้ใช่ไหมแต่ถ้ามันตามไปแล้วมันสบายใจแต่ตามไปเถอะตามเถอะแล้วก็โล่งเลยเป็นอิสระประการต่อมากําหนดโดยสีนะประการที่สามนะอย่างแรกก็คือด้วยวาจาอย่างที่สองด้วยใจอย่างที่สามกำหนดโดยสีก็คือดูสีของโกฎทาศน์นะเช่นผมสีดําาอย่งเนี่ย ใช <S an> ขนเล็บเนื่ยสีขาวเนี่ยก็ให้กําหนดโดยสีการการปฏิบัติเนี่ยท่องเกสาโลมานะขาเนี่ยไม่ใช่ไปคิดไม่ใช่ไปท่องท่องท่องอย่างเดียวโดยไม่รู้เนะี่ยว่าสัานถามเป็นยังไงสั้นหรือยาวเนะี่ยสีเป็นยังไงดําหรือขาวเนี่ยก็กําหนดโดยสีเป็นต้นเหมือนอะไรเนี่ยแล้วประการต่อมาประการที่ห้าโดยดทิศทิศเนี่ยในสรีระเนี่ยเหนือเหนือสะดือขึ้นไปเนี่ย อันนี้เขาเรียกทิศเบื้องบนตะใต้สะดือลงไปนเขาเรียกทิศเบื้องต่ําเหตุนั้นการกําหนดทิศของโกธาสาอยู่ทิศวัดทิศบนเบื้องบนหรือเบื้องล่างเช่นผมเนี่ยไม่ได้อยู่ทิศเบื้องล่างอยู่ทิศเบื้องบนเงี้ยใช่ไหมถ้าขนเนี่ยอยู่ทั้งสองส่วนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการกําหนดทิศเนี่ยต้องให้ต้องกําหนดให้ถูกประการต่อมาคือโดยโอกาสโดยโอกาสนั้นๆว่าโกธาสาเนี้ตั้งอยู่ในโอกาสโอกาสตรงนี้กัตั้งอยู่ตรงไหนเช่น ตั้งอยู่บนที่ษะตั้งอยู่บนไหล่ตั้งอยู่บนนี้ี่ยก็โดยโดยโอกาสประการต่อมาก็คือโดยปริเฉทะการตัดตอนกันนะสภาคะปริเฉธาตัดตอนส่วนที่เหมือนกันกับตนแล้วก็วิสภาคะเฉทะส่วนที่ผิดจากตนเช่นว่าในลักษณะผมเนี่ยมันไม่เหมือนกับขนเนี่ยมันตัดตอนกันเนี่ยนะในการตัดตอนประการต่อมาข้อที่ควรเนี่ยในลักษณะเจ็ดอย่างเนี่ย โดยวาจาโดยใจโดยสีโดยสันธานโดยทิศโดยโอกาสโดยปริเชตนี่ต้องชัดแต่และอย่างแต่และอย่างเวลาผมมากําหนดก็ต้องเอากําหนดเจ็ดอย่างขนกําหนดก็เจ็ดอย่างฟันเล็บหนังปเตอร์เหล่านี้ก็ต้องเจ็ดอย่างจริงๆสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ความเข้าใจหมดเลยนะการกําหนดที่มันมันจะเด่นชัดต่างกันบางคนก็สีปรากฏชัดบางคนก็สันธานปรากฏชัดบางคนก็ทิศปรากฏชัดอะไรก็แล้วแต่การกําหนดแต่และบุคคล ก, ก็ความชัดเจนที่มา ที่กําหนดก็ก็ต่างกันไปข้อที่ควรทราบก่อนนี่นะเขาเรียกว่าอุคาหะโกสาละอุคาหะโกสาละกรรมฐานนี่ตรัสในสูตรโดยความเป็นสิ่งปฏิกูลในสูตรโดยความเป็นธาตุก็คือว่าในสติปัฏฐานมัชฌิมานิกายมูลปานาตเล่มที่สิบเจ็ดนี่นะไม่ได้มาในฉบับของมาวุตุเนี่ยแล้วก็ในความเป็นของปฏิกูลในมาในมาหาหฤกษ์โทปมสูตรก็คือมัชฌิมานิกายมูลปานาตเล่มที่สิบปด แล้วก็ในราวโลวาทสูตรมาชิมานิกายมาชิมมะเป็นหนา้าเล่มที่ยี่สิบนะนะแล้วก็ธาตุวิพังกสูตรก็ในมาชิมานิกายอุปริปันธาแล้วตัดโดยความเป็นธาตุอีกในกายะคตาสติภูตในไอสูตรเนี้นะในในเล่มนี้ที่เอามาเนี่ยใ น, ใ, นในอุปริปันธาในมาชิมมด้มาชิมานิกายอุปริปันณาโดยสรุปคืออย่างนี้ในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยในปฏิกูลมรรสิกานบาปเนี่ยตัดผมผล เ, เล็บฟันโดยความเป็นของปฏิกูลใช่ไหมนั่นเป็นบาปหนึ่ง ส่วนอีกบบปหนึ่งคือทาตุกมนสิการนบาปคือพิจารณาโดยความเป็นธาตุนั้นอีกแบบหนึ่งก็สรุปแล้วเนี่ยสองบาเนี่ยมาคนละบาปกันอยู่คนละบาปโดยส่วนแรกคือที่เรากําลังจะศึกษากั น, นให้พิจารณาโดยความเป็นของปฏิกูลโดยความเป็นของไมงงามทีนี้เมื่อพิจารณาอย่างนี้เบียดเสร็จแล้วน่ะท่านก็สอนต่อไปอีกแบบหนึ่งให้พิจารณาโดยความเป็นธาตุเช่นผมเนี่ยนะดินคือผมดินน้ําคือผมเอน้ำ ลมหรือไฟเนี่ยดินน้ําไฟผมก็มีดินน้ําไฟลมนนั้นในพิจารณาโดยความเป็นธาตุอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ในพระสูตรเนี่ยจริงๆแล้วท่านตัดต่างกันตรัสต่างกันออกไปเช่นในสติปัฏฐานสูตรก็มีทั้งปฏิกูลมีทั้งด้วยความเป็นธาตุในพระสูตรต่างๆดังที่ได้กล่าวมาเนี่ยในกายคตาสติสูตรในอุปริปัณนาฏเนี่ยตัดด้วยความเป็นปฏิกูลด้วยเป็นธาตุเป็นต้นด้วยฉะนั้นตรัสโดยความเป็นธาตุในกรรมฐานสองอย่างนะ เป็นวิปัสสนากรรมฐานโดยความเป็นของปฏิกูลเนี่ยอันนี้เป็นสมถะกรรมฐานอย่าลืมนักพิจารณาโดยความไม่งามโดยความเป็นของปฏิกูลนี่เป็นสมถะนั่เป็นสมถะกรรมฐานถ้าไปพิจารณาโดยความเป็นธาตุเนี่ยเป็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมเนี่ยนะอันนี้เป็นวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานในปฏิกูลนักสการแบบนี้เป็นสมถะกรรมฐานอุกาโพสละเจ็ดวิธีนะอาจารย์ทุ่งบอกโดยในดังที่ได้กล่าวมานี ก, ก, การต่อไปก็บอกในเรื่องของมาร์สการโกศลโกศลเนี่ยคือความฉลาดนนะการพิจารณาการไถ่ควรโือความฉลาดท่านบอกไว้1ิวิธีนะหนึ่งอนุปปภโตโดยลำดับให้ไล่ไปตามลำดับยังไงท่านจะสอนเลยนะผมขนเล็บฟันหนังว่าไปตามลำดับแล้วก็นาตีสีคาโตก็โดยไม่เร่งนะอย่าเร็วเกินไปใหม่ๆเนี่ย ไม่ใช่โหปุ๊บปุเร่งเเนี่ยไม่ได้พิจารณาไม่ทันไงเช่นผมขนเล็บปันหนังเนื้อเย็นกระดูกเยื่อในกระดูกว่ามือใจเนทันไหยไม่ทันนะเนี่ยคนพูดยังพูดทันแต่งนึกถึงภาพไม่ทันปุ๊บปุไม่ทันแล้วอย่าเร่งนะแล้วก็นาติสักสนิกโตก็คือโดยไม่ชักช้านะเช่นผมแล้วกไปยืดเติร์มมาไปเก็นช้าเกินไปไม่ดีอย่าช้าเกินไป แล้วก็วิเขปาปฏิภาณาโตโดยป้องกันความพุ่งซ่านนี่สงคันเพราะในขณะที่พิจารณาเกษาโลมานขาะทันตาเนี่ยต้องไม่ให้ความพุ่งซ่านมาแทกปันติสม า, ามติกะมาณาโตเนี่ยส่วนร่วมร่วงบัญญัติที่สําคัญมากนี่คือคือพิจารณาไปทํายังไงมันก้าวล่วงบรรยัติได้โดยอย่า ง, ออยงนี้นะตามนั้ปันนติบาทเนี่ยการฆ่าเนี่ย มีปรมาสหรือบัญญัติเป็นลมยังไงอารามณโตอ่ะเอ๋ถามถามนักศึกษาหน่อยนะฮะเจ๊ใครเรียนปริเชียที่ห้ามาแล้วกรรมจะเดตกลตัอัอกษศรกรรมบทสิกมือจะมีปานอาทิบาตอาทินาทานไหมอ้าวปานอาทิบาตนี้มีอารมณ์เป็นปรมาสหรือบัญญตัติปรามาสปรามาสยังไงอธิบายนิดเอานิดเดียวก็ได้ที่หาไม่ต้องมากบางคนเขาวางแผนนะ ถ้าไอคนคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ธุรกิจเราเสียหายเนี่ยเพราะฉะนั้นเองเราจะต้องมีการลอบฆ่าเขาด้วยการจ้างวานไปยิงหัวใช่ไหมไอตรงนี้นี่แหละตรงกล้องนี่แหละถ้าเขามีกล้องเอาไว้ก็ถอดกล้องออกมามปยิงเขาใช้กล้องจะได้ตบเขาอยู่สมมติวางแบบเนี้่ย่างนี้ปรามาัสอยุบัญญัตินีน่กล้องเป็นบัญญัติบ้างก็มีท่านคนอย่างไปบรรยายธรรมนะไปบรรยายเงี้็เอาว่าเนี่ยดูดูแล้วเยไปมีปรามาสเป็นอารมณ์ได้ยังไงมันต้องมีบัญญัติสิ เพราต้องวางแผนต้องอะไรต่างๆที่จริงเนี่ยนะปานาธิบาตเนี่ยมีปรามาสเป็นอารมณ์เท่านั้นแหละเย่างนี้มันมีวญญัติเป็นอารมณ์ไม่ได้เพราะว่าปานาติบาตการทําชีวิตสัตว์ให้หลบร่วงให้ตกล่วงนะเก็มุ่งไปที่ชีวิตจริงสหมายถึงชีวิตจะลุกยังไงการตัดรอนชีวิตจะลกของท่านคนนั้นเพื่อให้ได้ถึงจะคิดกว้างขวางยังไงก็คิดไปเถอนั่นเป็นสภาพของบัญญัติมันไม่ได้การการเอาชีวิตแต่การที่จะไปเอาชีวิตของท่านคนนั้นก็คือการไปตัดรอนลุกไปชีวิต แล้วก็ทำให้น้ําม่ชีวิตไม่มีการสืบต่อไปคือปกติชีวิตของท่านคนนี้ก็จะต้องไปจะไหมมีการยืดยาวไปเนี่ยการไปตัดรอนเหี่การมีนั่นแหละมีชีวิตรูปชเปิเป็นต้นเน่ยมีชีวิตรนามเนี่ยเป็นอารมณ์นั่นารามนาโตของปนานิบาตเนี่ยจึงมีปรจจามาตเป็นอารมณ์แล้วก็ในดีกาเขต้องบอกว่ามีปริตตธรรมปริตตธรร ม, มองค์ธรได้ไแก่อะไรกามาจิตห้าสิบสี่เจ้าสิบห้าสองรูปยี่สิบแปดใช่ไหม ที่ว่าโดยบัญญัติก็บัญญัตินั้นว่าโดยวัวหารเนี่ยไม่ได้ว่าโดยคือเป็นวัวหารเพื่อจะอธิบายความเข้าไปใช่ไหมเด็แต่โดยหลักกา ร, การในการนี้จะตัดทอนโลกไปชีวิตนามไปชีวิตเนี่ยก็มีปรมตัตอ่ะแล้วอธินาทานน่ะการรักเนี่ยมีปรมตัตคือบัญญัติเป็นอะไเอาอลเลยแอาลําบากไม่น่าเรียนมาเลยเรียนมาแลโดนถามอย่างเนี้ยสมมตินะเวลาจะไปรักเสื้อผ้าเนี่ยที่จริงก็คือรักมาพูดใช่ไหม ถหาผู้ป ร, ประ half. มตทเนี่ยใช่ไหมวัตถุประสงค์ก็คือต้องการมหาผู้นี่แหละก็รามหาผู้ที่บางคนก็ปารบสีโอ้หสีมหาผู้นี่มันสวยบางทีก็ปารบเสียงโอ้โหเสียงนี่เพ้อใช่ไหมปารบกลิ่นโหกลิ่นมันหอมปารบรสปลารบสัมผัสโอปลาลบทำมารมอ์โอเชื่อใจสรุปก็คือมีประมาทนั่นแหละเป็นอารมณ์ไม่ใช่มีบัญญัติ อาการเมีมีชาจานมีปรมัดหรือเป็นชไฟยไม่เมื่อกี้คุณยมท่านหัวบอกว่าให้อาจารย์ช่วยถามให้ตั้งปัญหาอาจารย์ก็เลยลองตั้งดูไนี่ตั้งเยงไงถามเองาาจยออกให้อาจารย์ตั้งแล้วอาจารย์ตอบหมเอาเปลียนกัเลย ทีจจ่จริงที่จริงการเมสมิชาจารย์เนี่ยการเมสมิชาจานไม่ใช่มาาีบัญญัตินะมีปารมามัดที่เนื่องด้วยโพธิภะใช่ไหมไคือปารมามัดที่เนื่องด้วยโพธิ ภ, ภนะนั่นแหละสมมติจะโยมสมานไปจับแล้วคล้อนนี่างไฟนี่จับไหยไม่เอาแล้วไม่อยากสัมผัสเลยใช่ไหมเพราะเข้าใจาว่าสัมผัสแล้วมันจะนิ่มมันจะเชื่อมใจมันปรารถนาสัมผัสก็คือนั่นแหละโพธิภะที่เนื่องด้วยโพธพภะเป็นต้นนั่นแหละ แต่ความเป็นหญิงด้วยความเป็นชายเป็นต้นเหรอนะเนี่ยโดยโวาหารวัตถุประสงค์จริงๆก็นั่นแหละเป็นปรมัติษ์นั่ะที่จริงที่จริงพวกอกุศณกรรมบทเนี่ยคนเอาหลักฐานแล้วมานั่งเรียนวิจัยกันเลยลึกจริงๆเนี่ยจะมาอาจารย์เนี่ยบรรยายเรื่องเรื่องนี้คุยไม่ได้สนานๆนที่ว่ า, เ ร, เ, มม า, า, 5, าเรื่องนี้เนี่ยโคนมามาดูโอ้ตายศีลห้าล็กซึ้งขนาดนี้แล้วเนี่ยศีลห้าเนี่ยดูเหมือนเรื่องง่ายๆถ้าเรามานั่งวิจัยกันดูจะรู้เลยโอ้ตายแล้วเราไม่รู้เรื่องศีลห้า ลองมาน่าวิจัยกันดูดินะลองไม่จะทําสักวันยังได้เลยเชื่อวันสามชั่วโมงวิจัยสี่ห้าทุกคนจะร้องโอ้โหตายแล้วเราจะเข้าใจสี่แค่สี่ห้าไม่ต้องอะไรสิกขาในสิกขาบุรุษพรงทีนี้เหมือนกันเนี่ยตรงนี้ท่านบอกว่าท่านบอกว่ามณสิกาเนี่เนี่ยที่บอกว่าโดยการล่วงเสียซึ่งบัญญัติเพราะเบื้องต้นเนี่ยเป็นบัญญัติใช่ไหมเพื่อจะก้าวล่วงตรงนั้นไปเพื่อจะได้ให้ติดอารมณ์นั้ น, น, น แล้วการ น, นุ่งปูผ้ามุนจะหน้าโตโดยการปล่อยไปตามลําดับก็แปลว่าเป็นไปตามลําดับใช่ไหมอันไหนที่มันไม่ติดก็ปล่อยเลยคือการใส่ยายตรงนี้บางทีท่านอุปมาเหมือนกันนะต้นตาลสารจะสองต้นมือนใช่ไหมเราจะจับลิงเ ย, ยากไหมลิงมันกระโดดแป๊บแป๊แป๊บไปทั่วเี่ยจะจับก็จับไม่ได้ไปต้นนี้มันวิ่งไปต้นนั้นไปต้นนั้นมันวิ่งไปต้นนั้นปล่อยไปเลปื่อยก็ดอกโอ้เหนื่อยทำไมากันมานั่งก็เราใช้ก้อนดินในความ เดี๋ยวมันกระโดดไปเรื่อยใช่ไหมเราเราวิ่งตามเราเหนื่อยเนี่ยพรใช้ก้อนดินเราฟางไปเรื่อยๆมันก็กระโดดไปโดดไปโดดมามันเหนื่อยเมือนลิงเนี่ยมันเหนื่อยมันก็เกาะต้นตาขี่ต้นเดียวกูไม่โดดแล้วจิตของคนเราก็เหมือนกันนะให้มันไล่ไปเลยเจสาโรมาเนะเห็วิ่งไปมันอยากดิ้นดีนะเหมือนลิงกันยอมวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งไปวิ่งขึ้นวิ่งลงเห็วิ่งไปเรื่อยๆนะข้าเอาแลตรงนี้แหะอยู่แล้วผมนี่เลยวะเกาะแน่นอยู่กับผม หน้าเข้าหน้าเ้าไไปแล้วกว้างเว้แล้นึกเรื่องอื่นมันไม่ออกไปแล้วออกอยู่กับผมผมผมหน้าเข้าชัดนี่เป็นกรรมฐานเลยหรือไหมได้กรรมฐานอย่างบดบดฌานเบตโตนี้เกิดขึ้นเสร็จเราแล้วงามนี้จับลิงได้แล้วมันไปไล่ดูเนาะมันจะเป็นไปลักษณะอย่างนั้นแล้วก็โดยการปล่อยตามลําดับแล้วก็เอาประมาณหน้าตก็โดยอาประมาณแล้วก็สุดตันต์สามก็คืออธิจิตสูตรสีติภาวะสูตรแล้วก็โพชังฆ่าโพสารสูตรเดี๋ยวต่อไปก็จะไปศึกษาสูตรเหล่านี้ มนาสการโดยลำดับก็คือว่าเริ่มแต่การสาธยายกับมาได้การไปตามลำดับอย่ามาได้การโดยให้เว้นระวังเนียบทเช่นเกษาโลมานักขาจะโดดข้ามเกษาเนี่ยโลมาไม่เอาแล้วไปนักขาเลยอย่างเงี้ยนะให้เป็นไปตามลำดับเ อ, อไม่ค่อยชอบเล็บออไม่ค่อยชอบขนนะโดดไปที่เล็บดีกว่าขนดูยากใช่ไหมสมมติเนี่ยผมก็พอจะชัดเนี่เพราะขนขึ้นมาไม่รู้ดูยากก็เลยนะโดดไปเล็บเลย อย่าไปอย่าโดดข้ามทําไปเถอะจะชอบอันไหนหรือไม่ชอบไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าอัธยาศัยที่เราสั่งสมมาเราไม่ทราบเข้าใจนะเราไม่ทราบหรอกว่าอัธยาศัยอันไหนที่จะต้องด้วยด้วยจิตของเราไล่ไปเถอะมันเหมือนแล้วเนี่ยมันนั่งกันห ล, ลายคนเนี่ยบางทีเขาจะให้เราจำหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยคนนี้ไม่อยากจํามันเลยอย่าไปทําเงี้ยเต็นไปตามลําดับเลย อะไรที่มันติดฝังแน่นในกระแสจิตนี่ยแะเดี๋ยวไฝังแน่นเดี๋ยวเข้ารายงานเอ ง, เองเนะเอาเ ป, เป็นอย่างนี้นเขาถึงบอกว่าให้เป็นไปตามลำดับในสามถึงสองชั้นเน่โยโดยโดยโดยไว้ระหว่างขั้นหนึ่งคือคือการก้าวข้ามก็จะเหนื่อยกายไม่สําเร็จประการต่อมาก็คือไม่เร่งนะก็คือมานาสิกานโดยการไม่เร่งนะเพราะว่าเมื่อมานาสิกานเร่งเกินไปเนี่ยก็มาถานดําเนินไปถึงที่สุดก็จริงแต่ว่าไม่แจ่มแจ้ง ทำเร็วๆเนี่ยมันมันได้นะบางทีนะแต่มันไม่ชัดสังเกตคนทํางานก็เหมือนกันนะทําแบบรีบเรีเนี่ยรีบเรีย บ, เ น, ย เ, ยบเนี่ยได้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยดีการเร่งจนเกินไปนี่ก็ก็เป็นอย่างนั้ น, นะก็สังเกตจำแนกทางที่เดินทางที่พึงเว้นเดินไปเป็นต้นเป็นไปตามลําดับเนี่ยนะก็คือตั้งเข้าไปถึงที่สุดทุนทางกจริงแต่ก็จําทางไม่ได้เพราะอุปประมาณการเดินทางาสักสิกิโลยี่สบ ก, กิโลสามสิ ก, กิโล สมมติว่าเอาก็เดินไปในคุณสังเกียตให้ดีนะในขณะที่เดินทางไปเนี่ยสังเกีตในระหว่างทางมีอะไรบ้างเนี่ยโอ๊ยเรารีบเลยเพราะเพราะว่ า, ป า, ป า, ปาไปอย่างเร็วดันไ่ถึงเหมือนกันไหมถึงแต่พอถาวมาเจออะไรบ้างยังไม่รู้เร่งเกินไปไม่ดีไม่ช้านะักเมื่อมานาจการโดยไม่เร่งนะักก็ไม่พึงมานาจการช้าจนเกินไปเพราะว่าเมื่อช้าจนเกินไปนะกรรมฐานจักไม่ถึงที่สุดไม่เป็นปัจจัยเกิการบรรลุ ค, คุณพิเศษอุปมาเหมือนกับบุรุษผู้ใครจะเดินทางสามยน์ ยอละสิบหกิโลเมตรเนี่ยนะให้ถึงภายในวันเดียวมัวโอเอตามที่ต่างๆเปนต้นไม้ภูเขาเป็นต้นเนี่ยหรือพักในระหว่างทางทางก็ไม่สิ้นสุดต่อมาสองหรือสามวันถึงที่เป้าหมายเนี่ยนะในอัธกถาในสติปัฏฐานวิพังในกายานุปัสนานิเทศสวาราคถาวิพังกรรมกรในอภิธรรมวิตกท่านสดแสดงบอกว่าภิกษุมณฑลการมทั้งสิ้นเนี่ยนะเส้นไปสามสิบครั้งโดยไม่เร็วเกินไปโดยไม่ช้าเกินไปในเวลาเช้า แล้วสาธยายสิบครั้งในเวลากลางวันสิบครั้งในเวลากลางเย็นการไม่ทําการสาธยายเลยเป็นการที่ไม่ควรเลยสาธยายตอนชาตอนกลางเย็นเนี่ยนะก็เหมือนกินข้าวเลยนะโยมเลยเรากินเนี่ยตอนเช้ากินเนี่ยตอนกลางวันก็กินกันเลยไม่ค่อยลืมแต่ลืมกรรมฐานกรรมฐานเลยเอาไว้ก่อนไม่จําเป็นแต่จริง ก, กรรมฐานจําเป็นกว่าข้าวนาะกรรมฐานจําเป็นกว่าข้าว อยู่กัอาหารวันวันลมัวยุ่งเด็กอาหารการกินยุ่งแต่เรื่องอื่นี้่ไหมชีวิตของเราก็คิดได้แต่เรื่องแบบนี้ทีนี้พอใกล้จะตายแล้วเอาอาหารมาเป็นอารมณ์มาเย น, นยุ่งก็ไปเป็นพวกนอนในขนมบูด ท, ที่ปฏิสนธิเราได้นะ่นเนี่ยเพราะเป็นอารมณ์นปัะจยัยของเราเหลือเกินวันวันแล้วก็หิวในเรื่องอะไรเนี้ยเฮ่อจะปุงอาหารอะไรดีๆกินดีนะกินวันวันแล้วก็มาเรื่มงเออมาเนี่ยมาเป็นทาตของราษฎรษาตัาหาใช่ไหม วันๆก็หาอะไรมาแปะลิ้นเล่นแปะลิ้นเล่นถ้าผ่านทางอื่นเข้าไปก็ไม่ยอมด <t> ้วยเนีต้องให้ผ่านลิ้น ม, มามาก็ลิ้นใช่ไหมเอาลิ้น ม, มาอัดทบลิ้นปั๊บแป๊บป๊แล้วก็ผ่านคืนเข้าไปอัดทบลิ้นปั๊บแป๊บปัป๊บก็ค <t> ืนเข้าไปเหม็นมีอะไรชีวิตมีแค่นั้นเหม็มีอะไรใช่ไหมเอาผ่านคอลําค อ, อไม่ยอมได้วยคุยจะโกรธหมออย่างหมอเจาะตรงเนี้ยให้ผ่านต้องให้ผ่านลิ้นชีวิตไม่มีอะไรจริงเนาะไม่มีอะไรเลยน้าเข้าน้าเข้าเนี่ยนะพอแก่มากขึ้นนนี่ะ แก่เท่าเนี่ยตัวตัวชิวหาประสาทมันจะเสื่อมเพราะชิวหาประสาทไม่เที่ยงเนี่ยมันก็เจต ก, กรรอยู่ไหมกุศลกรรมที่เป็นปัจจัยแต่ชิวหาประสาทก็เสื่อมอ่อนกําลังลงตัวชิวหาประสาทก็รับรสได้ยากขึ้นพอรับรสได้ยากขึ้นมาไม่อาหารไม่อร่อยเป็นขวดอาหารนั่นเดียวไม่ได้โทษนะชิวหาประสาทมันไม่เทีย่ยงเ่าเกิดเจต ก, กรรมที่ไม่เทีย่ยง เขาเกิดจากอวิชาเป็นตัวอวิชาตัณหาในอดีตมันไม่เที่ยงชิวหาภาษาจริงจงไม่เที่ยงมันไม่ได้ใกล้ควรพิจารณาแบบนี้นชีวิตมนุษย์เนี่ยใช่ไหมยะถ้าพิจารณาอย่างนี้อ่ะเขาเรียกว่าอนุมาณายามจะเกิดยาในการอนุมาณอดีตและปัจจุบันเนี่ยจะเกิดเพราปัจจุบันคือชิวหาภาษาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากกรรมที่ในอดีตมาจากอาวิชามาจากตัณหาเมื่ออาวิชาตัณหากรรมเกิดเนี่ยชิวหาภาษาก็เกิดใช่ไห้ยะ ถ้าวิชาตัญหากรรมนันดับหรือหมดกําลังลงเชียวหาปรสานก็ดับใช่ชีวหาปรสานมันเกิดจากกรรมที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเชีวหาประสานจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนาัตตาด้วยฉะนั้นในปัจจุบันนี้มันเริ่มเสื่อมลงมากมา ก, ก็เพราะว่าวิชาตัญหากรรมมันเริ่มจหมดกําลัง ล, งลงแล้วมันจะไปหาเชีว่วหาปรสานใหม่แล้วยังไม่รู้ตัวอีกนะจะไปใหม่แล้วทีเชี่ยวหาปรสานที่จะได้ใหม่บางทีมันยาวขนาดนะี้เป็นคืบๆใช่ไหมที่ยาวอย่างเดียวเป็นชีวหาของใครยาวอย่างเดียวเนีย ไม่ใจของมนุษย์แล้วใช่ไหมน่ากลัวนะเคยักวันนั้นก็ไปอามามเนี่ยเป็นเด็ก เ, เลี้ยงควายมาถึงหรือมันย้อนอดีตมานั่งคิดถึงควายเวลากินอาหารเสร็จเส็จมาเสร็จเส็จมันก็มานั่งเคี้ยวใช่ไมมันมันมันมันมันขยอกไอ้ไอข้าวออกมาเออไม่ใช่อาหารออกมาแล้วก็มานั่งเคี้ยวมันติดในรสอาหารย่อมมันติดในรสอาหารติดในราศพปัญหา ความยินดีพอใจในรถเนี่ยเกินเข้าไปแล้วยังมึงเอาออกมาเคี้ยวมันเคี้ยวอยู่นั่นแหละวันวเคี้ยวอยู่นั่นแหละเพราะอะไรรู้ไหมยินดีพอใจในรถเนี่ยยินดีพอใจในรถเดินไปมันก็เคี้ยวเปก็เกิดไปนี่นั่งเยอะๆก็เคี้ยวอยู่นั่นแหละนี่โทษของการมีริ้นเป็นอย่างนี้แล้วเฮเห็นโทษไหมเนี่ยเป็นเนี่ยโทษของการไม่พิจารณา ไม่พิจารณาไม่พิจารณานามรูปปริเฉทายาทไม่พิจารณาปัจจยบริการญาณเนะแล้วก็ไม่พิจารณาสัมมุสณญาณก็เลยไม่เห็นอุทยาพยาญาณในความเกิดดับในปัจจุบันเนี่ยปัจจัยญาณก็ไม่เกิดเพราะปัจจัยญาณไม่เกิดก็ไม่เห็นโทษใช่ไหมเพราะไม่เห็นโทษไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นภัยของสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เลยเป็นที่ตั้งของตัญหาต่อไปตัญหาก็เลยทํากรรมในการแสวงหาแสวงหาลิ้นต่อไปในี่ยนะคุ ถ้าเป็นลิ้นของมนุษย์ก็ลิ้นของใครล่ะมนุษย์ในกลุ่มไหนพันไหนอ่ะถ้าเป็นมนุษย์ป่ากินของดิบนะใช่ไหมถ้าเป็นมนุษย์ไปเกิ ด, ดยแถวแถวไอแถวคนญี่ปุ่นเนี่ยก็้อ้าวกินของดิบอีกแล้วชอบมากใช่ไหมบางทีไปเกิดเป็นคนปา่าคนเถื่อนอย่างเนี้ยกินพ่อกินแม่ตัวเองอะพวกนี้ยเขาไม่รู้บาปบุญโทษอะไรเสื้อผ้ามีนุ่งแล้วหรือว่าเอาเลยยุ่งเลยทนีนี้เห็นไหมโทษของตัณหานี่กิน กินกันตรงๆเลยไม่ได้กินไดอ้อมเนะยอย่างเรายัางกินพ่อกินแม่โดยอ้อมเนะยใช่ไหมกินปลากินเนื้อกินแรงต่างก็อดีดเป็นปู่ย่าตายายพ่อแม่เราทั้งนั้นยังนี่กินโดยอ้อมแต่พอไปเกิดเป็นคนป่าเลยตรงแล้วไม่สนใจแล้วใช่ไหมกินกันเลยอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นกันสัตว์จะได้ฉานเนี่ยหิวขึ้นมาขึ้นมาก็กินลูกอตัวเองบ้างเห็นเห็นปลาช่อนไหมครับพอคลอดลูกออกมาเอาแล้วเล่นลูกก็ไม่เอากเล่นไาแล้วกิน กินลูกเลยเนี่ยเป็นเนี่ยไม่สนใจกันแล้วจะเป็นลูกพอลูกโตขึ้นมากัดแม่กัดพ่อย์ไม่รู้ทําไงอีสังสารวัตรเป็นแบบเนี้ยมีโทษกันการไม่พิจารณาเนาะแล้วก็พิจารณาโดยการประการต่อมาเนี่ยเมื่อพิจารณามีการล้างหน้าเป็นต้นเหล่านั้นแล้วการไม่ทําก็หาควรไม่เนี่ยเมื่อทําจึงเป็นประโยชน์ ใหญ่ดำรงอยู่นี่แลชื่อว่ามัชชิมาปฏิปทาท่านกล่าวไว้โดยประมาณตอนนี้แล้วก็มาด้การในการป้องกันความฟุ้งซ่านเดีวยถือว่าความฟุ้งซ่านไปในอารมณ์หลากหลายในยนะในภายนอกผู้ปฏิบัติเนี่ยก็ต้องป้องกันเพราะถ้าไม่ป้องกันในจิตก็จะฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ภายนอกอีกสําคัญนะเพราะการเจริญเกสาลงมาเป็นต้นเหล่านี้นะพิจารณาในกระแสขันขนั้นตัวเองจิตเนี่ยเวลาเราจะมาไขาควรเราทํางานทําการอะไรนี้ไม่ค่อยอยู่มันจะไปตามมันนัดคือในในอดีตเนี่ย ที่ผ่านมาเนี่ยใจมันเป็นแบบเนี้ยถ้าเราใครเราจะดึงมาทํำท่าทำทางแล้วมันอยู่กับงานกับการมันไม่เอาเลยมีพระท่านก็พูดกันข้องาไม่ใช่เนี่ยพระท้าทิร่าในอดีตถ้าเรา ก, ก, ก็คิดมันถ้าไม่เกิดมุมมุมคิดนะท่านก็บอกว่าเนี่ยคนที่คนที่บวชเป็นพระท่านว่าพระก็จะถูก ข, ข้อจํากัดใช่ไหมห้ามมีครอบครัวห้ามอะไรต่งตางๆไปเสีก็แปลว่าเขากันตันหาไวิบวัตอะไรยังไงคาสอนพระเจ้าในการเด็ก นะเครับการทั้งนี้ตัณหามันออกช่องอื่นนะี่สร้างโบดดีกว่าสร้างสัลาดีกว่าทําสวนเนี่ไปแล้วเดีนี้ไปแล้ ว, นนลวมองเห็นอย่างเดี๋ยวนี้เอาทําของเล่นบ้างอะไรบ้างปกเสก ง, งานไปเนี่ตัณหามันวิ่งออกออกนอกนอกรูปไปเห็นมัไหมกอมันทําเรื่องบางเรื่องไม่ได้มันทำอย่างคารวาสไม่ได้มันก็หันกลับไปอีกเรื่องไปอีมุมอีฟ้าเทลาร์ลบหนึ่งนั่นแหละภรรยาของมัน แต่ก็แต่งงานแล้วก็บอกไปแต่งงานกับโบสถ์บ้างแต่งงานกับศาลาการบระเรียนบ้างอะไองเงี้ยเาลอกาเรามาไปน่าฟังเขาข่อมจนเรื่องมานั่งคิดเออจริงนะครับแต่ก็คือคําสอนไปห้ามอย่างนี้ใช่ไหมห้ามไม่ท่านก็เลยหลอกมาอีกมุมนี้มันก็ไม่ผิดอะไรนะแต่นี่มันอยู่ที่การมานัสิกานะจริงๆว่าไม่ใช่ผิดนะถ้าท่านมานัสิกาถูกแต่ถ้าท่านทำได้ตัณหาเดี๋ยไม่ว่าใครอ่ะผิดใช่ไหมถ้าทำได้ตัณหาผิดแต่ถ้าทําได้ ความจําเป็นด้วยความที่จะต้องอนุเคราะห์เพื่อเป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติอันนั้นไม่ใช่นะ ต, ต้องแยกออกนี่ถ้าเขาพูดหนักไปต้องฟัเนี่ต้องกันความฟืสร้างนักปฏิบัติก็ดีนักปริยัติก็ดีเป็นต้นเหล่านี้นะการศึกษาปริยัติและปฏิบัติสําคัญมากทายัางไงเราจะไม่พุงกรรมฐานเนี่ยนะก็จะเสื่อมเปรียบเสมือนบุรุษผู้เดินทางนะ่ะเรียบเขียวอันเป็นทางสายเดียวเนี่ยนะคับแคบมาก วางเท้าทีละข้างไม่สังเกตรอยที่เท้าเหยียบให้แม่นแล้วเนี่ยมัวเหลียวข้างโน้นข้างนี้เนี่ยจะก้าวพลาดก็จะต้องตกลงไปในเหวลึกชั่วร้อยคนฉะนั้นเวลาเดินนี่นะสมมติว่าเท้ากะที่ ท, ที่เหวที่หินที่ก็นั้นมันวางด้เท้าพอดีเลยเนี่ยจะไปมัวกังวลเรื่องอื่นไม่ได้ให้อย่างนั้นเวลาใส่ใจกรรมฐานเนี่ยเนะี่ยให้จบจอให้ดีอย่างนี้ย ถ้าเกิดไปมัวสนใจเรื่องอื่นมาพาดก็จะตกนั้นการมณสิการกรรมฐานก็เหมือนกับเดินไต่เขาเดินไต่เขาพยายามไข้ควรไปเรืนะ่อืๆ น, นี่ไปมัวกังวลไม่ได้บอไปนั่งเริ่มจะกําหนดขึ้นมาอ๊ะตอนเดี๋ยวอีกสักสามสี่ชั่วโมงเราจะไปหาอาหารที่ไหนนะไปซื้ออาหารอะไรมากินรู้สึกวันนี้ท้องมันอิ่วๆอะไรไปคนละเรื่องเลยกรรมฐานไปคนละเรื่อง นี่เขาเรียกว่าป้องกันความพุ่สัน้นส่วนมนุิการในการร่วงบัญญัติก็คือว่าเวลาบริกรรมบอกว่าเกสาโรมานะคะธันตาแต่โจผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเนี่ยนะผู้ปฏิบัตินั้นต้องก้าวล่วงบัญญัตินันเสียจึงตั้งจิตมนุิยการว่าปฏิกูลให้เห็นผมด้วยความเป็นของปฏิกูลด้วยความเป็นของไม่งามเนี่นะเหมือนอย่างว่าในคราวที่น้ําหายากคนทั้งหลายก็จะก็จะพบบ่อน้ําในป่าแล้วเนี่ย หกสิ่งต่างๆมีใบตาลเป็นต้นเป็นเครื่องหมายเข้าไว้แล้วก็ตามไปเครื่องหมายเมื่อกลับมาจากที่ตรงนั้นแล้วก็จะตามเครื่องหมายอสมมุติว่าไป เ, เดินไปในป่าไปเจอบ่อ น, น้ําเดี๋ยวเราจะเดินจากตรงนั้นไปใช่ไหมพอบริกรรมผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยนี่เราได้ไม่ได้มนุษย์กานด้วยโดยความเป็นของปริกูลโดยสีโดยสันฐานโดยปริเฉตโดยโด ย, โด ย, โ, ดยโดยที่เกิดเป็นต้นเราเนี่ยเราไม่ได้มนุษย์กานให้ให้เห็นจุดต่างกันเขาไว้ใช่ไหม ในผมในขนในเล็บในฟันเป็นต้นเนี่ยเราก็เลยไปอใช่ไหมไม่เหมือนที่เราไปในป่าเนี่ยหรือเเดินทางเนี่ยเราไปบอกเราจะไปเอไปเจอร้านร้านหนึ่งร้านขายยาล้วก็บอกอ๋อผ่านไปนี่มีร้านขายยาต้องถามว่าเอ๊ะมันอยู่ตรงข้างอเลยใช่ไหแล้วทําเครื่องหมายไว้ไหมถ้าทําเครื่องหมายก็ไว้เดี๋ยวเราจะต้องมาไล่ทีมันจะได้กาหนดถูก เหมือนเรากลับเข้ามาที่ว่าไปหาบอ่อน้ําก็เราเอาอะไรผูกกัาไ ว, ว้แล้วไปหาบอ่อน้ำมันจะอาบน้ำมันจะดื่มน้ํามันจะได้การก้าวล่วงบัญญัติก็เป็นไปในลักษณะอย่างนั้นนะกรรมฐานจะปรากฏง่ายเพื่อเรากําหนดสังขารโดยความเป็นของปฏิกูลเป็นต้นนีน้ประการต่อมาก็คือมณัิการเป็นไปตามลาดับดังที่ได้กล่าวนี่นะพระโยคาวาจอนปล่อยกฎธาศาสนั้นเสียมนัติการโกฎทาศาสเป็นไปตามลําดับเชื่อว่ามนัติการโดยการปล่อยลําดับ เมื่ออธิกรรมิกะมานาซิกานในผู้ใหม่นี่นะโดยอนุโลมบอกว่าผมก็มาในการดําเนินไปสู่จุดกฎทาศาสตของผมมุดจนไรไปตามดับผมขนเล็บฟันหนังเนื้อไปจนไปถึงมุดต่างคือน้ําปัสสาวะนี่นะก็มานาซิกานในปฏิโลมอมุดต่างขึ้นมาตามระดับดังที่ได้ษารายมานั่นแหละก็ดําเนินไปสู่จุดกฎทาศาสตร์ต้นๆก็คือเกสาคือผมทีนี้พองมานาซิกานไปมานาซิกานไปกฎทาศาสตบางอย่างก็ปรากฏบางอย่างก็ไม่ปรากฏ โกดธาสาเราได้ปรากฏเธอก็มาดำนินการในโกดธาสาเหล่านั้นไปจนกว่าเมื่อโกดธาสาปรากฏเพียงสองโกดธาสาในโกดธาสานั้นเน่ยโกดธาสาใดย่อมปรากฏดีกว่าโกดธาสาหนึ่งก็มาดำนินการโกดธาสาซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็จะเป็นปัจจัยให้ได้อัปปนาเข้าใจใช่ไหมเมื่อยอมสมานเนี่ ย, ล, ยล่ไปเถอะผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามไตหัวใจตับไล่ไปนี่นะเออพอไล่ไปเรื่อยเรื่ืรื่เเนี่ย นักเข้าไอ้มันเริ่มเด่นใช่ไหมไอตัวเด่นก็มีตัวลืนลางก็มีไล่ตั้งแต่เป็นเดือนเดือนสองเดือนสามเดือนเนี้ยนะปล่อยเลยไอที่มันไม่ชัดเนี้ยปล่อยทิ้งไปมันจะเหลือน้อยลงนะจากสามสิบสองเหลือสามสิบเหลือยี่สิบแปดเหลือยี่สิบหกเหลือยี่สิบอะไรก็ไล่ทิ้งไปเรื่อยๆทิ้งไปเรื่อยๆนักเข้านักเข้ามันจะเหลือแค่ห้าโอ้ยตอนนี้เราเริ่มได้เปรียบแล้วมันเหมือนมันเหมือนที่เราไล่ไล่ไลิงนั่นแหละ ใหม่ๆเนี่ยมันมันแข็งแรงเนี่ยจิตของคนเราใหม่ๆเหมือนกันนะมันวิ่งปลื้ดเลยสามสิบสองต้นเล่นไปเล่นมามันคล่องมากเพราะมันแข็งแรงใช่ไหน้าเข้ า, น า, ขาหน้าเข้าไม่ไหวแล้วสามสิบสองๆๆเหลือสามสิบพอเหลือยี่บแปดเหลือยี่ห้าเหลือยี่สิบเหลือสิบห้าเหลือสิบใช่ไหมเหลือห้าแล้วตอนเนี้ยเหลือห้าแล้วนาเข้าไม่ไหวเหลือสองต้นนี้วิ่งเหลือสองต้นแล้วแต่เนี้ยลองลองดูที่ต้นไหนเนี่ยจะเอา กว้างเลยกวางดูนเข้าวนาข้ามันดอดซ้ายดอดขวามันจะรู้ไอ้ต้นไหนมันจะเป็นที่ก่อมันดีหน่อยเอาต้นนี้เราว่าเกอะแน่นอยู่งั้นเลยไม่ไปแล้วไอ้จิตก็เหมือนกันนาข้าวนเข้ามันอยู่สองอย่างบางทีนะมันอาจจะอยู่ผมก็ได้ผมกับเล็บเออตอนสมมุตินะมันออกผลผมกับเล็บชัดมากมันจะเกาะอยู่สองอย่างนเข้าดูมันชัดอันไหนเอยเล็บชัดเอาเล็บเนีนัขานัขานะกข โอเป็นอุคานิมิตแล้วนักเข้านะ้ะเป็นนักเข้าเป็นปฏิภาพคณิมิตรพอเป็นปฏิภาพตอนนั้นจิตเ่็เป็นอุปุปลานะกเข้าอุปจารลาปฏิภาพคณิมิตรเป็นอารามมณะประจัยเกิดสิทับนาได้ชานชานแะจิตเกิดแล้วอะไรอย่างไม่น่าทํานะก็เราเคยเพียนอย่างอื่นมากกว่านี้อียังได้เลยอ่ะใช่ไม่ใช่หรือยังสงสัยอยู่เอ้เราน่าจะไม่ได้มั้งอย่าไปคิดอย่างงี้ยุ่งนะอย่าไปคิดอย่างงั้นคิดว่ามีโอกาส ไม่ใหม่เพราะหนักเท่าในเท่าเนี่มันจะรู้จะไม่เอาทิ้งเ <Okay. S 1> ก็เหมือนลิงนะเหมือนที่บอกฉะนั้น mm hmm. โกฏฐาสาสเนี่ยนะโกฏฐาศาสสามสิบสองนิกายเปรียบเสมือนอะไรเปรียบเสมือนต้นตาลสามสิบสองในตรงตาลน่ยนะสามสองต้นจิตก็เหมือนลิงพะโยคาวจรก็เหมือนในพานเนะ่ะนั้นการที่จิตของพะโยคาวจรท่องเที่ยวไปในกายก็มีโกฏิษาศาสสามสิสองด้วยความกระทาให้เป็นอารมณนะ์เนี่ยก็เหมือนที่ลิงอยู่ในตรงตาลเนนะ่ย มันก็สายต้นตาลสามสองตอน้นทีนี้ผู้ปฏิบัติเนี่ยก็เริ่มมันไดการเคสามันไดการเป็นใจไปตามลำดับเนยนะเคสาลงมาเป็นต้นก็เหมือนนายพานเนี่ยใช้ลูกศรหรือใช้ก้อนดินเป็นต้นเนี่ยคว้างหรือยิงก็ทําเสียงสะเพือก็ได้ลิงมันก็กระโดดไปกระโดดมาเป็นเน ไ, ไปตามลําดับในส่วนจริงๆก็บอกว่าขั้นกดทาส า, าไม่ปรากฏก็ปล่อยไปตามลำดับเหมือนลิงก็ปล่อย ก็ไล่ไปตามลำดับทางที่ได้กล่าวในที่สุดเนี่ยลิงมันก็จะเกาะ อ, อยู่ต้นตามต้นใดต้นหนึ่งอุปมาก็บอกว่าผู้ปฏิบัติก็เป็นไปในลักษณะอย่างนั้นพิสูจถืออีกอย่างหนึ่งนะท่าน อ, อุปมาหลายอย่างบางแห่งท่านก็ถือเหมือนพิสูจเที่ยวบินนบาัตเป็นวัดเป็นปกติมีหมู่บ้านอยู่สามจุสองตระกูลอย่างนั้นเป็นที่โคจรของการบินนาบาัตเมื่อได้พึกษาสองที่ในเรือนหลังแรกก็สละเรือนหลังหนึ่งข้างหน้าเสีย ก็เข้าไปรับึกษาในวันลุ่งขึ้นเมื่อได้ที่ในเรือนหลังแรกแล้วก็สละเรือนหลังสองข้างหน้าเสียในวันที่สามก็ได้ึกษาเต็มบาทในเรือนหลังต้นทีเดียวแล้วก็ไม่ไปบินทบาทต่อไปลงฉันแล้วก็ฉันเสียชันใดอาการ3 2มเหมือนกับหมู่บ้าน3 2มตระกูลประโยชน์คารวจรก็เหมือนพิกษสูที่บินทบาทการที่ประโยชน์คารวจรทาบริกรรมใน3 2มก็เหมือนการที่บินทบาทของพิษสูนั้นอาศัยหมู่บ้านเป็นที่จุด โคจรบินบัตอยู่เนี่ยการที่พโยคาวจรมนุษการ์ไปไมามาสระกฎท้าสตที่ไม่ปรากฏทําการบริกรรมกฎทศาสตรที่ปรากฏก็จะเหลือสองกฎท้าสตรก็เหมือนการที่บินนบัตพิกสุเนี่ยพิกสูทีบินนบัตเนี่ยได้รับพิษาในบ้านหลังแรกแล้วก็สระเรือนหลังข้างหน้าเสียเหมือนในวันที่สองพิกโตเหลือนั้นเป็นไปตามลำดับก็เหมือนกันเนี่ยนะอุมาเหมือนกันเหมือนลิงหรือต้นตาลอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นไปตามลําดับนะปล่อยตามลําดับปล่อยไปตามลําดับ อะไรไม่ชัดก็ปล่อยทิ้งไปอะไรไม่ชัดก็ปล่อยทิ้งไปเหมือนดินนบัด น, นะเมื่อได้หลังนี้ไปเสร็จไม่ไปอลไรหลังนี้อย่างนี้เป็นต้นนัเข้านักเขาก็ไปที่ลงฉันที่เดียวไม่ไปที่อื่นนลยมานาจการโดยความเป็นอัปปนาก็คือว่ามีผมเป็นต้นอัปปนาก็จะเกิดขึ้นทุกๆโกรธาสาโดยอย่างนี้นะโกรธาสะทุกโกรธาสะผมก็เป็นปัจจัยให้ได้อัปปนาได้ขนก็เป็นปัจจัยได้อัปปนาได้ฌานนะจิตได้ทุกทุกโกรธาสะ เป็นปัจจัยแก่ชาตได้หมดถ้าอย่างเราเนี่ยบุญน้อยใช่ไหมเข้าหนึ่งโกฏฐท่าสะเร า, าก็ได้อาจจะได้สามสิบสองเราได้แค่หนึ่งอัปนาแค่นั้นแหละแต่พระพุทธเจ้ า, านี่สามสิบสองเนี่ยพุทธเจ้าได้เป็นล้านล้านได้เป็นล้านล้านอันนานะชานได้เป็นล้านล้านชาญเนี่ยพุทธเจ้ า, าไม่ใช่ใดได้ม่น้อยเพราะพระเจ้ากำหนดได้ทุกอย่างเข้าชาญได้หมดเลยคนนี้บุญเป็นอย่างนั้นก็กำหนดผมก็ได้ด้วยความเป็นปฏิกูลก็ได้ด้วยความเป็นสีก็ได้ อ่ากำหนดเป็นสีขาวเข้าชานก็ได้สีเขียวเข้าก็ได้สีดําก็ได้สีแดงก็ได้ของเราปวดจะได้แต่ละอย่างกวดจะทำํำเป็นอารามนะปัจจัยแก่ชาในยากบุญน้อยก็เป็นอย่างนี้นะอยากบุญมากอธิษฐานสัมมาสัมโพธิญาณดิกล้าวหมล่ะพวกนั้นขอหน่อยปัเจกโพธิญาณลองมาก็อัคราสาวกเหมือนนะ่ะสาวกบา ร, รมียานไปเลยเหมือนพระโมคคัลลาน่เหมือนภาษาลิบุตรลองลงมาก็เหมือนพระหรมาะ ห, มะหมาคสม ลอยมาตามน้ำแบบไปไกมาเอาขอพันกับพันชาติแต่ว่าคนที่เขาวิจิตฉะนั้นฉะนั้นในกรรมฐานนี่นะทําไมพวกอ ร, ริมนัปัจจัยกรรมฐานเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถเอาเป็นปัจจัยอัานาได้หมดอย่างเราเห็นไหมมนเลือกสามสิบสองที่พระเจ้าสอนมาแล้วนี่นะในาสามสิบสองโกฏิสาส์เนี่ยผมขนเป็นต้นเนี่ยแเราได้หนึ่งเดียวอันเดียวเป็นปัจจัยในอัานาทีนี้ก็ชื่นใจแล้วใช่ไหมแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วพอให้ได้เหรอ แต่ถ้าคนมีบุญทั้งหลายเนี่ยอย่างระดับพระโมคคัลลานาภาษารีบุตรพระมหากระสุเป็นต้นโอ้ยท่านทุกอย่างกําหนดผมเข้าปฐมฌานก็ได้กําหนดผมโดยสีเข้าไปทุติยฌานแต่ที่ฌานจะถดยทานปัญมฌานก็ได้ใช่ไหมที่โยฌานท่านเข้าได้แล้วท่านจะกําหนดและสีเขียวสีแดงสีขาวท่านกําหนดได้เป็นปัจจัยแก่ฌานที่จิตทุท่านได้หมดของเราโห้ยกว่าจะได้สามจุดสองได้สักหนึ่งบุญแล้วในสามจุดสองอย่างนี้นะ นั้นที่นั่งๆอยู่เนี่ยอัธยาศัยที่สั่งสมมาไม่เหมือนกันบางคนก็ผมปรากฏชัดบางคนก็ขนบางคนก็เล็บบางคนก็ฟันบางคนก็หนังก็เป็นอารมณปร่ปัจจัยแกอุปจารสมาธิและอัปนาสมาธิชาะจิตตัวตัวขึ้นก็นี่เราอันสมการศึกษาอย่างนี้นะเป็นอัธาายาศัยอะเป็นปจัจจัยอะทําให้เราเป็นปัจจัยในอนาคตเนีย่ยจะเป็นปจัจจัยทําให้เราได้ชาญได้ชาญหนึ่งเพราะการเรียนปูธัสสารนี่นะอย่าลืมนะเพราะอัธยาศัยเราตั้งไว้แล้วเราเรียนแล้วใช่ไหม ในที่สุจริงๆเขาจะต้องได้พ่าตั้งปัญหาว่าเราตั้งมนตสิการไว้ไห ม, ไ ม, ไม ใ, ใครควรพิจารณาตั้งอธิฐานธรรมไว้ในใจหรือเปล่าจะตั้งเอาไว้อัธยาศัยที่อธิฐานไว้นี่แหละจะเป็นอุปันทิศยปัจจัยแกอัปปนาจิตไม่ใช่ไม่ได้นะ ไ, ไ, ได้และอัปปนาจิตจะเป็นปัจจัยการแทงตลอดอริยสัจเป็นปัจจัยการบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะอัธยาศัยที่ตั้งไว้ดีแล้วเนี่ยก็ข้างค่าวฟังอวิธรรมยังเป็นใช่ไหม แปดแนในพระวิธรรมบรรลุปฏิสมิทายานบรรลุวิชาสามแล้วก็อภิญญาหกแล้วก็ปฏิสมิทายานสี่อัธยาศัยตรงนั้นท่านตั้งไม่แน่เท่าไหร่ด้วยนะตั้งแบบสัตว์เดรัจฉานตั้งก็เรานี่ตั้งแบบมนุษย์ตั้งไม่ได้กันไงใช่ไหมไม่ใช่เรียนแบบระลอกตื่นๆเรียนแบบตั้งใจอะเรียนแบบตั้งตั้งอัธยาศัยเอาไว้ทำไมจะไม่ได้ใช่ไหมอุปนิสยาประใจนี้มีกําลังนี่ไหมดีแต่ตรงนี้ท่านยกสูตรมาในอธิจิตตสูตรแล้วก็สีติภาวสูตร ในสุดต <NG> ันตานี <function mi> ่นะแล้วก็โพชังคะโอสารสูตรต่ในอธิจิตสูตรเนี่ยท่านยกสูตรที่มาในพระสูตรนี่นะท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยอาิจิตอธิจิตนี่เป็นชื่อของสมาธิสิกขาเนีการที่พระพุทธเจ้าแสดงอธิสูตรเนี่ยอาทิกิตสูตรเนี่ยจิตยิ่งเนี่ยนะระดับอภปนาจิตนะเนี่ยเทวที่พระองค์สอนอย่างนี้แปลว่าเรื่องศีลไม่ต้องพูดแล้วนะเนี่ยเขายังท่านชําระศีลบริสุทธิ์เป็นอย่างดีแล้ว ภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ประกอบไปด้วยอาธิจิตต้องมานาจิกานิมิตสามประการตามการันควรต้องมานาจิการสมาธินิมิตตามการันควรเข้าใจคำว่าสมาธินิมิต น, นิมิตใ ด, ดก็แล้วแต่ที่เราไปเพ่งแล้วเป็นปัจจัยให้จิตดิ่งในลมเดียวก็รเรียกสมาธินิมิตบางคนเพ่งอะไรเพ่งผมก็ได้ขนก็ได้เล็บก็ได้ฟันก็ได้ใช่ไหมพอเพ่งบริกรรมไปแล้วจิตเป็นสมาธิบางคนดูพุทธรูปเนี่ยแล้วจิตเป็นสมาธิเนี่ยนะอันนั้นเพ่งสมาธินิมิตเรียกสมาธินิมิต ต้องมนุษการปักขหามมีมิตตามการอัควรไอปักขหามมีมิตก็คือความเพียร น, นิมิตใดล่ะที่เป็นปัจจัยเป็นอรามานปัจจัยแก่ความเพียรเอา ว, วันวันหนึ่งเราคิดเรื่องอะไรแล้วเราเพียรเราเกิดความเพียรไม่อยากเพียรทําบาปนะเพียรออกจากบาปนะเราคิดถึงใครความเพียรเกิดยมนก ค, คิดคิดถึงใครความเพียรเกิดอคิดคิดถึงใครความเพียรนึงจะเกิดคิดยังไงจําได้ไหมตอนที่เราเรียนสติติฐานผ่านมานะมีคนมีพระภิกษุรูปหนึ่งที่ท่านบอกว่า ท่านจักจเจริญวิริยะเนี่ยเพื่อบูชาบูชาแหละบูชาพระพุทธเจ้าบูชาตอนไหนทุกการกิริยาเขอจะเพียนเนี่ยจะเดินบูชาอย่างนี้เจ็ดเดือ น, อ ย, นอยู่ในยาบทเดินเนี่ยเจ็ดเดือนเดินจะยืนเนี่ยเพื่อจะบูชาทุกกิริยาของพระพุทธเจ้าที่พระ อ, องค์ทรงทำ น, นึกอย่างนี้โอ้โหเรา ก็ท่านยังบูชาอย่างนั้นได้แล้วเราทําไมไม่ทําถึงทําไม่ได้ขนาดนั้นเราก็จักเทียนออกจากบาปแล้วในคิดนีงเขาใหญ่นะนี่มตั้งความเพียนได้ในการคิดถึงพระเจ้ายัางไม่คิดรวมๆคิดตอนที่พระ อ, องค์ตั้งความเพียนได้นะเพราะการทําทุกขรัติริยานี่ไม่มีใครทําได้เด่๋วพระพุทธเจา้ามหาบุรุษทั้งนั้นนะที่ทําได้จนใจทับขาดเนี่ยใช่ไหมเนื้อเลือดจนจนไม่กินอะไรเลยอะ พอไม่กินอะไรจนว่าลูบไปที่หนังลูบไปที่ขนแล้วหลุดอีกมือเนี่ยโอ้ยไม่มีแล้วคนที่เพี้ยระดับนี้พระเจ้าพูดถึงนาบอกว่าในบรรดาคนที่เพียนที่สุดไม่มีใครเกินนี้ไม่มีแล้วในโลกเนี้ยพิจารณาไปทั้งหมดเนี่ยไม่มีแล้วในเทวโลกมารโลกร ม, มโลกมนุษยเทวดาทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครเพียนได้เท่าเนี้อย่างดีที่สุดก็แค่เนี้ย ท่านหมายถึง ว, ว่าพระพุทธเจ้าอง์ก่อนๆ น, นี่นะด้วยที่จะมาตรัสในนาพจนเะนี่ยเพียงก็ได้แค่เนี้ยสงสัยได้แค่เนี้ยถ้าเลยก่อ น, นี้ไปหนึ่งวี่มีใจขาดตายนะท่านก็หยุดโราอมนี้ไม่ใช่วิถีทางนั่นแหละเราคิดจากบูชาความเพียนของพระเจ้ามาถ้าคิดแสดง ว, วันนี้ก็จะบูชาวิริยะนี่คือเรียกปักข้านีมิทเขาคิดรักเสน่ห์ส่วนอีกประการหนึ่งคืออุเบกขามีมิท ต, ตามการอันควรอุเบกขานีมิทก็คือว่าพิจารณาในการ ในความเป็นกลางนาะพิสูจนทั้งหลายถ้าว่าพิสูจประกอบด้วยที่จิตมานันติกาสมาธินิมิตเดียวแล้วไซ ย, ย่อมเป็นได้ที่จิตของเธอเนี่ยจะเป็นไปข้างโกสัชะเพราะอย่างเราเนี่ยมันแตลกอยู่ย่างสมาธิทําให้คนเกลียดค้านเชื่อไหมสมาธิอย่างเดียวนี่นะทาให้เกลียดค้านทาให้เกลียดค้านคือคือมันมีความสุขแล้วมันติดเลยติดแล้วไม่ยอมไปจิตอย่างอื่นไม่อยากทํำแล้วไม่ต้องอะไร อาตมามีเนยียนอยู่ใช่ไหมมีเนนอยู่หกเนนกับพระเข้ม่อยู่ยาายด้วยกันสามสามรูปนี้จะต้องดูแลเนนหกรูปเนี่ยไหม่ๆโอ้ยซนมากนิดแต่ละองค์เนี่ยนะก็เกี่ยงกันครับแต่ละองค์ก็อยากจะอยากจะอยากจะเจริญกรรมฐานเพราะเจริญกรรมฐานมีความสุขใช่ไหมก็บอกว่าท่านท่านพระพ่อไปเกิดถ้าใครได้หลอกเข้าไปในห้องแล้วอยู่กับกรรมฐานมีความสุขเกิดเนี่ยใช่ไหม อยู่หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสาชั่วโมงความสุขมันเกิดไม่อยากทำแล้วมีไม่เคยนั่งกรรมาิตาจะมีความสุขนั่งจะมีความสุขมติดติดเท่เพงในสมาธิถ้าสมมติไปติดแล้วไม่ค่ควรนี้ปััสนาต่อนะมันจะติดอยู่งั้นแ่ละลองไปฝึกดูนะแล้วจะรู้ชัดว่าติดจริงๆจย่าอน า, าปานะก็ได้พิจารณาเยสาโลมาเป็นต้นก็นได้ พิจารณาพระจิตดิ่งเป็นสมาธิแล้มีความสุขแป๊บเดียวเพนได้แล้วก็ใอย่างพอเพ น, นเสร็จเดินเดินพอให้ท้องมันนั่นแน่นอนโอเคแป๊บเดียวอ้าทําวัดเย็นได้แล้วนั้นจะอยู่อย่างนั้นตลอดได้ชีวิตเนี่ยมันมีความสุขไงแต่ว่ามันไม่เดินถ้าไม่ติดนะตรงนี้สมาธิมิตรคือไม่เพ่งแต่สมาธิอย่างเดียวไม่ได้เป็นปัจจัยแก่การเจริญวิปัสนาต่อมันจะติดนี้เข้าจใจไม่มถ้าไปเจริญวิปัสนาต่อมันจะมันก็จะไปอีกมุมอีกมุม เนี่ยมันจะติดก็เป็นปัจจัยใกีความเกียจข้านิไหมโกสศชาเนี่ยถ้าหาผู้ประกอบอธิจิตมนาจิการปักกะหะโดยส่วนเดียวแล้วไซเนี่ยหมายถึงโดยส่วนเดียวนี่นะจิตก็จะไปในข้างอุทจักให้สังเกตดีเพี้ยนมากๆในฟุ้งห่ดเอยยอมจะมานลองดูเดนเดินเดินเดินนั่งยืนนอนเดินนั่งยืนนอนเดินนอนเช่เนี้ใครกลัวางเนี้ยเท้าวแตกก็ช่างปล่อยมนนะเท้าฟุ้งทุกเพี้ยนเกินอ่ะ เพียนกินไปไมากก็ต้องต้องระวังว่าสมาธิสมาธิกับวิริยะเนี่ยถ้าไม่คู่กันมันมัยุ่งถ้าประสมาธิมากเนะี่ยมันกลัวสัชวช้าเข้าไปเกลียดช้าถ้าวิริยะมากเกินไปความฟุ้งมันจะเข้านี่มันหลักการปฏิบัตินะอย่าลืมเนี่ยแต่อย่างเราเนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วพวกเราเนี่ยเพียนกันน้อยอยู่แล้วแล้วสมาธิก็ น, น้อยเอมทั้งคู่เขาใจยังอย่างอันนี้พูดถึงคนที่เ ข, อ ข, อขอาขอาชีพประจังคนล้วแอย่างเราเป็นนั่งสมาธิก็ไม่่อยเกิดจะไม่กงวลอย่านี้ นั่งนั่งไปหลับนั่งไปก็หลับไม่ได้เกียรต้าแล้หลับไม่มีมเสมาที่เข้าสีน้ำมิท้าเข้าและประการต่อมาคือถ้าภิกษุประกอบอธิจิตมนัสการอเวขาเิี่ยโดยส่วนเดียวย่อมเป็นได้อธิจิตของเธอจกไม่พึงตั้งมั่นในทางที่ถูกนะเพื่อความสิ้นไปอาสวะพอถ้าอุเบกขาเนี่ยโดยส่วนเดียวนะนะเขาไม่ตั้งมาเลยมันไม่ตั้งมั่นในการที่จะจัดสรรในการที่จะเป็นมชิมาแล้วเพราอุเบกขาเกิดขึ้นมามันก็เฉยปัญญาไม่เกิดแล้วก็้าใจอย่า ปัญญาไม่เกิดก็เฉยมันเหมือนวางเฉยอ่ะเหมือนคนบางคนเนี่ยเฮ้ยแบบนีอะไรเลี่ยเดี๋ยวนี้ยมสบายแล้ววันก่อนเนี่ยยอมมาปเออยอมเป็นยังไงตอนนี้ปฏิบัติยอมวางใจได้แล้วเฉยยอมเฉยแบดไหนเฉยแบบเฉยเมยแล้วเฉยมองเนี่ยอบบนี้เฉยเมยก็มีใช่ไหม ว่เฉยเมยท่านเอ้าเฉยเมยมันอันญานต้องเบียดขามันเฉยเราโง่หนิยอมไม่ได้เฉยแบบไม่รู้เรื่องไงไม่ดีใช่ไหมจะดีจะชั่วกก็เฉยใช่ไหมไอผิดไอโถกูก็เฉยแสจเลยเนี่ยไม่เข้าทางแล้วเขาเรียกเฉยเมยเฉยเมยไม่ดีเฉยเมยเฉยแบบไม่รู้เรื่องเฉยแล้วปัญญาไม่เกิดยอมต้องเฉยใหม่เฉยปัญญาต้องเกิดต้องจัดสรรด้วยใช่ไหม จัดสรรอะไรตัวเฉยเนี่ยอวิริยะกับสมาธิสมดุลกันไหมศรัทธากับปัญญาสมดุลกันไหมเนี่ยก็เฉยอย่างนี้ใช่ไหมก็จัดสรรกุศลธรรมเนี่ยให้มีความสมดุลกันเหมือนรถนะ่ะยอมพวกนั้นเหมือนขับรถเนี่ยไปเจอทางตรงตรงแล้วตอนนั้นใช่ไหมก็ประคองพวงมาลัยไปขับรถหรือเปล่ายอมสมาธิช้าใไหมประคองพวงมาลัยแล้วก็ไม่ต้องไปเริ่มเฉยแล้วตอนนั้นอนะ่ะแต่เฉยรู้นะไม่ได้ปล่อยลง ทรงเดชใช่ไหเฉยด น, น, นั้นรู้อยู่ในการที่ว่าไม่ต้องไม่ต้องไปบังคับเพียงแต่ประคองแล้วก็ทำคันเร่งให้เสมอ น, นั่นแหละเฉยในลักษณะอย่างนั้นแหละอุเบกขาเป็นอย่างนี้ถึงจะเป็นอุเบกขาที่ถูกต้องถ้าอุเบกขาโดยส่วนเดียวเนี่ยไม่มีธรรมะอื่นมาปรับปรุงเนี่ยนะ ไม่มีจิตยอย่างอื่นไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะไม่มีความเพียรไม่มีสมาธิไม่มีศรัทธาไม่มีกุศลธรรมต่างๆมาประกอบประกองให้มีความสมดุลกันเนี่ยเฉยอย่างนั้นเสียหายแล้วไปไปมายไม่เป็นไปเพื่อความสิ้นไปอาสวัตดูก่อนทิ่คือทั้งหลายเมื่อภิกษุประกอบอธิจิตมนณฑิการสมาธินี้ไว้โดยการส่วนเดียวเนี่ยนะ ไม่มานาสการสมาธินี้ตามการอันควรนมัสนาสการสากานิมิตตามการนันรนนรนรน้นควรนมาสการอุปเบกขานินี้ตามการอันควรอันนี้หมายถึงทำถูกต้องนี่นะจิตของเธอนั้นก็จะเป็นจิตอ่อนควรแก่การงานเป็นจิตที่ป่องใสแล้วก็ตั้งมั่นถูกทางเพื่อถูกทางนะเพื่อความสิ้นไปเห็นกรรมมาสวะทวารสวะทิฏฐาสวะและวิชาสวะได้อุปมาเหมือนนายช่างทองหรือลูกมืองของนายช่างทองเนี่ยก่อเตาเข้าคล้ายก่อเตาแล้วก็สูงเบ้า ขั้นสูบเบ้าแล้วก็ใช้คีมจับทองมาวางไว้ในเบ้าแล้วก็สูบเป่าไปตามการนั้นควรก็ถ้าไฟแรงร้อนมากเกินไปก็ทมน้ําที่ทองนั้นตามการนั้นควรถ้าไฟพอดีก็ดูอยู่เฉยๆตามการนั้นควร mm hmm. อุปมาอีชัดเลยนะอุปมาเหมือนกับเกี่ยวกับทําทำทองดูก่อนพิกษุทั้งหลายหากว่านายช่างทองก็ตามลูกมือของานายช่างทองก็ตามเนี่ยจะพึงสูบเป่าทองนั้นโดยส่วนเดียวแล้วไส้ไม่สนใจแล้ว มาถึงก็เป่าสูบอย่างเดียวให้ไฟมันลุก น, นั้นย่อมเป็นได้ที่ทองนั้นก็จะพึงห ไ, ไ, ไหมไปไหมไหมไฟมันร้อนจัดน่ะไฟก็ไหมหากนายช่างทองก็ตามลูกมือของนายช่งางทองก็ตามพรมน้ําทองโดยส่วนเดียวแล้วใชไหมไม่สนใจแล้วไม่ไม่สูบให้ไปยังออกน้ําพรมย่อมเป็นได้ที่ทองนั้นจะพึงเย็นเลยอ่าไม่ควรแกาการงานในการที่เอาไปทําเป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นนาฬิกาแล้วใช่ไหมก็ไปพรมแล้วเย็นเน่ะ หากนายช่างทองหรือลูกมือของนายช่างทองก็ตามเน่ยพักดูทองนั้นอยู่เฉยๆโดยส่วนเดียวไม่ทบน้ําไม่สุกไม่เป่าไฟลูกเป็นไปได้ที่ทองนั้นไม่พึงถึงซึ่งความสุขทองก็ไม่สุขเพราะทองไม่สุกแล้วจะไปทําเป็นแหวนก็ไม่ได้ทําเป็นสร้อยก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะทองมันไม่อ่อนมันไม่ควรต่อการทํางานก่อการงานต่อมาเมื่อนายช่างทองก็ดีลูกมือของนายช่างก็ดีสูกเป่าทองนั้นตามการอันควร ทรมน้าในทองนั้นตามการอันควรแล้วก็พักดูทองนั้นเฉยๆตามการอันควรทองนั้นก็จะอ่อนแล้วก็ควรเ น, นี่ยการเงนเหมาะสมเปล่งปั่งสุขแล้วก็ไม่เปลอกใช้การได้ดีสามารถเอาไปทาเป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นนาฬิกาได้เดียแม้นายช่างทองประสงค์จะทําเป็นเครื่องประดับสิ่งใดๆเป็นเข็มขัดก็ดีเป็นต้มหูก็ดีเป็นสร้อยเป็นสร้อยสังวานสิ่งที่ประสงค์นั้นย่ำสมเด็จแก่เขาได้แม้ฉันใด ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบอธิจิตต้องมณสิกานมีมิตรสาประการตามการอันควรนะมีอะไรบ้างมณจิการซึ่งสมาธินิมิตตามการนันควรประกาศนิมิตตามการนันควรและอุปเปกรานิมิตตามการอันควรจิตของเธอก็จะตั้งมั่นถูกทางเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งสี่มีการอาสวะเป็นต้นจนถึงอาวิชาสวะเป็นที่สุดแม้เธอน้อมจิตไปเพื่อความให้แจ้งได้ปัญญายิ่งใช่ไหม สมมติเราจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นอัปปนาเป็นต้นเนี่ยถ้าจิตน้อมไปก็ยังวิปัสสนาญาณให้เกิดชัดไหมใเนี้วิปัสสนาญาณก็เกิดตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณปัจจยปริขหายานสมมาสุนัญาณอุทิยะพยาญาณเนี่ยอาทีนวายานนิพิทายานมูลิจุกรรมยะตาญาณเป็ต้นก็จะเกิดเป็นไปนตามลําดับซึ่งธรรมที่เป็นอภินญาสัจจคิยาใดๆนะ่ยหมายถึงว่าธรรมที่ควรรู้ยิ่งเนี่ย เช่นทุกขศาสตร์เนี่ยท่านน้อมไปเพื่อกําหนดรอบรู้ทุกเนี่ยทุกคนกําหนดรู้สมุทัยกันละนิโรธคนทําให้แจ้งแล้วก็มรรคควรเจริญเนี่ยท่านน้อมไปอย่างนี้ได้จิตก็จะควรต่อการงานเพราะจิตมันขัดเกามาดีใช่ไหมถ้าขัดเกาว่าดีเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปนาสมาธิออกจากอัปนาสมาธิน้อมเข้าสู่วิปัสสนากําหนดรอบรู้ทุกขศาสตร์ใช่ไหมสมุทัยสัจจะแล้วก็กําหนดน้อมปรหานิโรธาสัจจะแล้วก็เจริญอริยมรรค จิตมันก็จะควรต่อการงานวอนฝุกผลมาดีไหมมันเริ่มตั้งแต่อะไรเนี่ยเอาศีนนลงานกุศลฝุดมัเอาวิปัสสนาความไม่เดือดร้อนปาโมโอดีตีปัสถีความสุขสมาธิเนี่ยท่านน้องก็ไปหายาถาภูเดียาณาทัศน์มันชัดเพราะมันขัดเกลามันอย่างดีแล้วคนนี้น้าบัลลูนหน้าบัลุูนเนี่ยมันจะเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นเมื่อได้เหตุอันควรเธอก็ย่อมถึงความเป็นผู้ทําให้ประจักษ์ได้ในอภิญญาสัจฉิตริยาก็หมายความบอกว่า นั้นๆโดยแท้ีอันนี้เขาเรียกว่าที่กิตจสูตรอันนี้ในสมุคขา้าสูตรในอังคุตระิกายติก น, น, นิบาตใช่ไ น, นี่ในสูตรนี่นะทั้นจะมาพิจารณาอย่างนี้ว่าท่านกับใครควรบอกเออเวลาถามว่าสูตรนี้สําคัญไหมสําคัญสําหรับใครสำหรับผู้ปฏิบัติเอาถ้าไม่คล่องแคล่วในสูตรนี้นะเวลาไปปฏิบัติเนี่ยยุงง่งเลยเดี๋ยวนี้ถ้าถามว่ า, เ, าเราไปไปปฏิบัติแล้วก็ไปสอบประลง เข้าใจไหมถ้าเราไม่รู้อย่างนี้ยเราไปอยู่กับอาจารย์สอบอารมณ์สิบนาทีไปอยู่กับตัวเองยี่สิบสามชั่วโมงกว่าบางทีว่าสองวันสามวันก็จะมาเจอที่อยู่ยังไงถ้าไม่รู้อ่าที่จิตสุนอยู่ยงไงเข้าใจอย่างใดเนี่ยเราจะอยู่ยังไงเนี่ยเอากามี้ควรเพ่งสมาธินิมิตในการควรหรือเปล่าปากามนิมิตในการัควรหรือเปล่าเปขานิมิตในการคใช่ไหมถ้าไปอย่างใดอย่างหนึ่งมันยุ่ง ก็ไปติดเนี่ยถ้าไปหาสมาธิอย่างเดียวเดี๋ยวเราเกลียดขาดไปหาปากหานินิดอย่างเดียวฟูงซานอุเบชานินดๆอย่างเดียวไม่ควรดอกงารงานแล้วไม่ไม่เข้าสู่ทางแล้วปรับแล้วนั้นต้องดูมันเหมือนกับคนที่ที่กล่าวคือนายช่างทองลูกเบื้องนายช่างทองเนี่ยสูบเป่าทองในการนั้นควรไม่ได้สูบเท่าเป่าทองด้วยส่วนเดียวนะเดี๋ยวขาดหมดเพร้อนไม่ได้พร้อมน้ําด้วยส่วนเดียวนะอาะเย็นหนินะอาะปล่อยเฉย ไม่สนใจเอาเสียหายอีกต้องทําในการมันควรนี้ไฟพอดีเปล่าเอ๊พรมน้ําพอดีเปล่าแล้วตอนนี้เช่งเฉยดูให้มันเย็นๆลงทั้งหน่อยอย่างเงี้ยนะนี่มันกันนล้ปฏิบัติก็ต้องรู้สูตรนี้นี้เป็นกุญแจสําคัญในการที่จะปฏิบัติก็ไม่ศึกษาสูตรนี้ยุ่งเลยอย่างเงี้ยไม่รู้แล้วเออตอนนี้สมาธิตอนนี้ความเพียรตอนนี้อไบวขาหนิดนั้นสูตรนี้ท่านถึงสอนทิ้งกล่าวไว้ในมำยิ้วสุดที่มา บอกอนุปันธิบัติทั้งหลายคุณเรียนส่วนนี้ด้วยเพราะจะได้เป็นเป็นหลักในการที่จะเป็นเป็นมันเหมือนอะไรเป็นคู่มือนะเป็นคู่มือคอยกระซิบบอกคอยกระซิบบอก อ, อนี่สมาธินี้มิดนี่ปากกาอันี้มิดนี่เบรคานี้มิดต้องกระซิบบอกว่าตอนนี้อะไรเกิดเนี่ยเราเข่งไปตรงไหนยังไม่ฝ่ายใดฝ่านึ่งโดยส่วนเดียวเปล่าเอียงก่อนบางทีสมาธิตอนที่ได้กล่าวเนี่ยนั่งนั่งไว้ติดแล้วก็ไม่เอาแล้วอ๋อจริงๆตรงนี้เขาจะอยู่กับใกล้กะไยานนี้ อยู่ใกล้นะอยู่พวกนักปฏิบัติทั้งหลายที่อยู่ใกล้กับระยะนี้กันเองนะก็โยมก็ลองลองกําหนดกันดูไม่ยากหรอกก็ศึกษากันไปปฏิบัติกันไปไม่ยากเป็นเรื่องดีๆโดยทั่วไปเปนการทดสอบตัวนตนโดยมากในหลักคาสอนทั้งหลายก็ใช้ปริยัติคนคนคืออย่างนี้คนที่ศึกษาปริยัติมาดีเนี่ยศึกษาปริยัติเก่าวคือคําสอนของพระเจ้ามาดีมันเหมือนแผนที่มันอยู่ในใจแล้วมันโอนสมารขับรถกลับบ้านเนี่ยทนี้ก็ไม่หลงทนี้ก็ไม่หลง แม่นหมดแล้วอีกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเข้าใจอย่างรงนี่เหมือนกันคาสอนอยู่เนี้ยเราเดินตามเนี้ยไม่หลงหรอกยิ่งสาคัญเราเดินออกนอกฝั่งเขาทาก็ได้ทาแล้วมันยิ่งผลเร็วใช่ไหมมันชัดเร็วกายานุปัสนาอยังไม่จบเลยข่าวเราดแล้วเหมือนตอนอาจารย์อธิยันัะสูติขึ้นขพอสมควร ก็ดีแล้วอัตยาสายอัตยาสายน้อมอย่ังไงใช้ได้นะฝึกบ่อยๆแล้วก็จะเป็นปัจจัยและจะมีกําลังแลจะมีกําลังแล้ ว, ล แ, ลวแล้วจะรู้เลยนะสมมติถ้ามาอยู่ในรักเหมือนปฏิบัติเนี่ยคนที่เขาผ่านกานรปฏิบัติที่เยอะแค่เดินแค่สนทนาพวกนี้ก็รู้แล้วใช่ไหมคนที่เขาเป็นกระยาวนี้เขาทั้งการปฏิบัติและไปยาดทอบข้างดีเนี่ยแค่คุยแคบเดียวเนี่ยเขารู้แล้วจริงแค่อย่างไรก็รู้แล้วก็บอ ก, กพวกผม ขออีกหลายคนแล้วเป็นอย่างนั้นสมัยก่อนนี่นะสมัยก่อนก็มีสอบชั้นอาจารย์นะแค่เดินเข้าหาอาจารย์เนี่ยเขรู้แล้วดิได้ไม่ได้ถ้าถามบอกจะเป็นครูบาอาจารย์ได้หรือไม่ก็ดูก็รู้แล้วดูจิตแต่ชรูปในการแสดงออกก็ชัดแล้วแล้วอีกอย่างนี้เสมาธิมีจริงหรือไม่จริงง่นไม่อย่างเลยมีหลักตรวจสอบเยอะแยเะดดนะเพรรรราาาาาาะว่เวเจรริมาจากัันนู้้น เข้าจเหมือนเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่สมัคริเนี่ยใช่เรามรู้ว่าเราก็จีบสมบรเรียจแต่ิ่ริอ่ะสุมันเข้ามาในตัวเราไปเยอเรายังไม่รู้เรารู้ว่าเานเราเพียนแต่เราไม่เคยได้ฟังเรพออาจารย์ภษาขยายนี้เราเข้าใจแล้วขณะที่เรานั่งปฏิบับิตัวอสุนมันเข้านี้ที่เรารู้ทันแล้ใช่ไหเรารู้ว่าเราไม่รู้งานเรไปเรื่อ คืนแม้นแต่ในสูตรต่อไปที่ผกในสีติภาวะสูตรหนังเกียติเลยพระพุทธเจ้าบอกดูก่อนพิกูจทั้งหลายพิสูุประกอบด้วยทำโภพการมีไหมเป็นผู้อ่านเพื่อทําให้แจ้งซึ่งสีติภาวะคือความดับเย็นอันยอดเยี่ยมนะ่ยเขาต่อทำประการมาจับอีกนะทำโภพการเป็นฉนันไหนพิสูจนในพระธรรมวินัยเนี่ยข่มจิตในสมัยที่ควรข่มใช่ไหมถ้าถามว่าสมัยไหนควรข่มเรายังไม่รู้เลยนะตอนไหนตอนจิตเป็นแบบไหนควรข่ม ยกจิตในสมัยที่ควรยกหนึ่งใช่ไเอ๊ตอนไหนควรยกจิตใช่ไตอนไหนควรกำลาคุคมตอนไหนควรยกในสมัยที่ควรยกแล้วก็ทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรทำจิตให้ร่าเริงตอนไหนควรทำจิตให้ร่าเริงสมัยไหนการไหนเวลาไหนแล้วก็เพ่งดูเฉยเฉยในสมัยที่ควรเพ่งดูเฉยเฉยหนึ่งแล้วก็เป็นผู้มีอธิมุต คืออัธยาศัยอันปันนิษอธิมุตอัธยาศัยในการที่จะน้อมไปเพื่อบรรลุแล้วก็เป็นผู้ยินดียิ่งในพระนิพพานดูก่อนภิกูุทั้งหลายพิกูุประกอบด้วยธรรมกประการเนี่ยเป็นผู้อาจทำให้แก้งซึ่งสีติภาวะคือภาวะที่ยอดเยี่ยมเห็นไหมว่าเหมือนน ก, การปฏิบัติใช่มบางทีเราบอกว่าบางทีเนี่ยจิตมันเกิดเพื่อเขมังเพียนจัดเนี่ยไม่ได้เรืร่องบางคน มันเป็นจริงนะเวลาความเพียรมันเกิดนะอัธยาศัยเราสั่งสมมามากๆเนี่ยพอไปเดินจงกรมไปไขควรไปพิจรารณาหรือสาธยานเนี่ยโอ้โหไม่หลับไม่นอนแล้วเดินกัดเจิดเนี่ยยานก็รู้แล้วอานก็รู้อันนี้ไปแล้วนริงแล้วมันมันเป็นอย่าจริงนะเขาหลับกันเผลอๆไม่เหมือนเราเลยพวกนี้เ่ยเดี๋ยวมัจุฬาหลักลงอภัยโทษหมดแล้วสู้เราไม่ได้ก็งั้น มีอยู่ข้างนึงอะมาไปป่วยที่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็ป่วยก็เดินแปลกๆแต่ละคนก็นอนเพิดเพื่อนนหม่กินข้าวเขาก็หมอก็แน่กินข้าวเย็นกินเลยหมอก็ไม่ว่าเนี่ยพาในโรงพาบาลก็ป่วยไม่เป็นไรก็ว่ากันไปเนี่ยเราพิจารณาเราก็โอ๊ยกลัวเสียเสียเสีแล้วตายไปในขณะนี้เราตกในโลกเรื่นนั่นในเข้าในเข้าพอเราแค่ใไล้ๆคนเลยมากๆเริ่มเพ่งคนอื่นเนาะตายแล้วพวกนี้ตกในโลกกันหมดเลย เสียใจแล้วมาณาเล็ดนึกไปนึกมาไี้มาหน้าเล็กเราตอนนั้นเนี่ยตัวจะรู้ตัวทับแย่มันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยบางทีมันมันศึกษาไม่ค่อยดีก็จะไปอย่างเงี้ยนะเข้านะเข้าตําหนี่คนอื่นซะอีกสิเนี่ยว่าดีทีไหนได้แย่แย่พอเขาเออแย่พอเขาอีกใช่ไหมเหมือนเห็นคนโกรธแล้วเราไปโกรธตามไงคนโกรธหลังมันแย่คนโกรธก่อนอันนี้เหมือนการเห็นเขาแย่อยู่แล้วพี่ตาหนี่เขาเราแย่เขาอีก เนี่ยตรงเนี้ยเขารียว่าไม่ได้ขมจิตฉะนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหมดดูกรทุกสูตรทั้งหลายสมัยใดจิตหัวทูสมัยนั้นเน่ยไม่ใช่การเพื่อจะเจริญปสัสสติสำโพชงเนอะไม่ใช่การเจริญสมาธิสำโพชงไม่ใช่ไม่ใช่การที่จะเจริญอเบกขาสมโพชงเนี่ยข้อนั้นก็เหตุไรเพราะจิตหัวทูยากที่จะตั้งขึ้นได้ด้วยธรรมเหล่านั้นเรียบเส ม, มือนบุรุษต้องการที่จะก่อไปดวงในน้อยรูปพงเนี่ยเขาก็ใช้ยาสดเนี่ยใช้โคไม่ โคไมค์ก็บขี้วัวเนี่ยขี้ของโคเอี่ยงขี้โคสดๆเนี่ยนะเอาไฟก็กองเล็กๆมันกําลังจะลุกขึ้ น, นใช่ไหมเอาหญ้าสดใสไม่พอขี้วัวใส่ขี้วัวสดๆใสไปเอาไม้สดๆโยนตังไปไฟดับไหมเนี่ยดับเลยงั้นจิตหดผูเนี่ยอย่าไปเจริญจิตตอนนั้นโหดผูมันไม่เอาอะไรแล้วอย่าไปเจริญปัสสติปัสปสตินความสงบ อย่าไปเจริญสมาธิสมาธิเป็นความตั้งมั่นยิ่งไปใหญ่แล้วอย่าไปเจริญอุเบกขาอุเบกขามันเฉยเสร็จเลยแต่เนี้ยนี่การนี้ไม่ควรแล้วถ้าจิตมันโหดถูควรทําอย่างไรจิตโหดถูควรเจริญอะไรจิตโหดถูต้องเจริญปัดสัทธิใช่ไหมหรือไม่ใช่เจริญจิตโหดถูนะไม่ใช่ไปเจริญปัดสัตทีไม่ใช่ไปเจริญสมาธิไม่ใช่เจริญอุเบกขาเพราะจิตโหดถูยากที่จะทําให้ตั้งขึ้นได้โดยทำเหล่านั้น แต่ถ้าหากว่าจิตโอทูทำยังไงการนั้นควรจะเจริญธรรมวิจิยาสัมโพชงต้องใช้ปัญญาวิจัยแล้วการนั้นต้องใช้ปัญญาวิจัยให้ควรแล้วจะให้พระจิตเป็นโอทูในการนั้นควรเจริญวิญญาต้องเพียขึ้นมาแล้วต้องมีอารัปธาตต้องมีนิกรรมธาตุต้องมีปรักรรมธาตุอารัปธากับปาราลบความเพียงปรักรรมธาตุกับเพียงออกจากความเกียดค้า นีิกรรมาทาก็คือเพียรในการที่จะทําให้กุศลและธรรมเจริญยิ่งๆขึ้นไปอ้ะเขาเจอกุศลกุศลและธรามชั้นสูงมันต้องเจริญอัมญาต้องเจริญวิริยะและก่อนในสมัยนั้นต้องเจริญปีติสามพ่อชงเจริญพุทธคุณบ้างเจริญธรรมคุณบ้างเจริญรศีลารณุสติอนุสติที่เป็นปัจจัยแก่การที่จะทำให้จิตโฟขึ้นน่ะเพราะจิตมันโหดๆเลย ก็เหมือนกับว่าไฟกองเล็กๆแล้วก็ยาแห้งใส่เข้าไปเอาน้ามันใส่เข้าไปนจะรู้เอาฟืนแห้งใส่เข้าไปนี่ฉันจะสอนในลักษณะเป็นต้นเดี๋ยวอาทิตย์ต่อไปอยดูอะไรีันอยู่ทุกวันนี้เป็นห้าโมงเลยตรงนี้สำคัญไหมสําคัญใช่ไหมเพราะวันๆเราหดหูันบ่อยใช่ไหม ห, หูฟุ้งซ่านก็ไปเจริญงานนีน้ถูกเอาสวดมนต์ี อิติปิโสภาคาวะอรหังสัมมาสัมพุทธวิชชา สวะขาโตภควาตารามสามิติโกอาคาริโกเอหิปัสสิโกโกภาณิโกปัจ eh จังเวทิจ at ักวิญญูหิต uh ิสุปัสสนา สาวาตสังโฆอุจปาติปันโนภะคะวะโตสาวาตสังโฆญาญาปติปันโนภะคะวะโตสาวาตสังโฆมีปิปันโนภะคะวะโต ก a ริภูริสยุคามีอาทาภูริสะกุเลสะภาคาวะโตสะวาตะสังโฆนายโยภานายทาคินายโยอัชริ รคุยญาติกลางโลกาสาติธาณังารัิสัมปันโนธาณะอุปปาราิสัมปันโนธานะพรมตปาร พิติโสทขาวศิรพานาสัมปันโนศิรปปารามาตพารามิสัมปันโนเนตตาไมตร ารุณามุติตาาาามิสมันนอยติปิโสภะตาวะเมฆธรรมาลาิสมันโนเอุปปาาสมัน ทาราสัมปันโนเมตตาไมตรีการุณามุติตาวุเปคาปาราีสัมปันน้อยสิปิโสภาขวัญปัญญาปารา สัมปันโนปันยารุปปันระสัมปันโนปันยาปะระมาตัปปะระสัมปันโนเมตตาไมตรีการ สิตาโอเคกาปารันสามปันโนอิติโสภะกัววิริยาปารันสามปันโน ปริสัมปันโนอิติสคาวันทิปรมตสัมปันโนขันติอปปารามิตาสัมปันโนขันติปรมตาปตา ปัณโนเมตตาไมตรีการุนมุติตาุเคาปารามิสัมปันโนอิติปิสภาตาวะสัจปารา สามปันโนสัจจคุปปาปาานิสามปันโนสัจจคารมาตพานิสามปันโนเมตตาไมตรีครุนามุทิตาอุเตคาปา สัมปันโนอิติปิสภะเวะอะติทานาปารามิสัมปันโนอะติทานาอุปปาระมิสัมปันโนอะติทานาอุปา สามโนเมตา ไปตั้งใจอุทิศ ส, ส่วนกุศลนะที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมสาธยายธรรมสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำณบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้ว จะเป็นศัพท์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักให้และมีบุญคุณมีมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีศัตว์เหล่าอื่นซึ่งเป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เว้นกันก็ดี สัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกลอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกําเนิดทั้งสีงม่มีขันห้าขันมีขันขันเดียว ม, มีขันสี่ขั น, ข น, ขนกําลังท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยใหญ่ก็ดีดสัตว์เราใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว ขอสัสตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเคือสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาส่วนสัตว์เหล่าใดที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้สัดยงรู้ส่วนแห่งบุญขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้เพราะเหตุทตี่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว ขอสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวอรยเอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ส, สาธุสาธุสาธุ ฮาหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะภะคะวันตังอะติวเทสวัโตภะคะวะตัโมธมานมสังสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวตสังโฆ 散开来。